ต่อไปนี้จะพูดธรรมะให้กับท่านผู้ที่มีจิตศรัทธามีความสนใจที่จะศึกษาเพื่อจะได้มีเครื่องมือหรือมีอาวุธไว้สำหรับต่อสู้กับข้าศึกศัตรูของพวกเรา ศึกศัตรูของพวกเรานี้อยู่ข้างในใจเราไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกใจเราแต่เราไม่มีอาวุธที่จะต่อสู้กับข้าศึกศัตรูเราจึงต้องมาพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาขออาวุธจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะว่าพระพุทธ พระธรรมพระสงค์เป็นผู้ที่ได้ผลิตอาวุธขึ้นมาและได้ทําลายข้าศึกศัตรูที่มีอยู่ในใจของพระพุทธเจ้าที่อยู่มีอยู่ในใจของพระอริยสงสาวกไปหมดแล้วท่านเีอาวุธท่านรู้จักวิธีที่จะทําลายข้าศึกศัตรู ของพวกเราไม่มีใครในโลกนี้นอกจากพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกุกที่จะรู้จักวิธีทำลายข้าศึกศัตรูของพวกเราเราจึงต้องยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งนั่นเองถ้าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะ เราก็จะมีอาวุธไว้สําหรับฆ่าฆ่าศึกศัตรูของพวกเราฆ่าศึกศัตรูของพวกเราคืออะไรก็คือกิเลส ต, ตัณหาโมหะอาวิชานี่เองโมหะก็คือความหลงอวิชาก็คือความโง่ความไม่รู้ความจริง เมื่อมีความหลงมีความไม่รู้ความจริงก็เกิดความโลภเกิดความโกรธขึ้นมาเกิดความอยากขึ้นมาพอเกิดความโลภเกิดความอยากเกิดความโกรธขึ้นมาก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะทำให้เราทุกข์ใจได้สิ่งที่ทำให้เราทุกข์ใจ ก็คืออวิชชาโมหะกิเลสตัณหานี่เอง <Yeah. S 1> สิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี mm. ้เขาไม่สามารถที่จะทำให้เราทุกข์ได้เขามีของเขาอยู่อย่างนี mm. ้เขาเป็นของเขาอยู่อย่างนี้มา mm. ก่อนที่เราจะมาเกิดและจะเป็นอย่างนี้ต่อไปหลังจากที่เราตายไปแล้ว ถ้าเรารู้ความจริงเราก็จะสามารถที่จะระงับความโลภระงับความอยากได้พอเราระงรับความโลภระงับความอยากได้เราก็ดับความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจของเราได้แต่พวกเราไม่รู้ความจริงกันเราจึงต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ผู้รู้ความจริงกันผู้ได้ศึกษาความจริงของโลกนี้ว่าเป็นอย่างไรผู้ที่ได้ศึกษาความจริงของจิตใจของตนเองว่าเป็นอย่างไรว่าอะไรทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอะไรทําให้ดับความทุกข์ใจลงไปเมื่อทรงรู้แล้วก็ทรงสามารถ ที่จะหยุดความทุกข์ภายในใจได้พอทรงหยุดความทุกข์ภายในใจได้แล้วก็ทรงเอาความรู้นี้มาเผยแผ่ให้แก่ผู้อื่นต่อไปผู้ที่ได้ยินได้ฟังวิธีดับความทุกข์เมื่อนําเอาไปปฏิบัติแล้วก็จะได้รับผล ตานที่พระพุทธเจ้าทรงได้รับมาจึงเป็นการยืนยันว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นนี้เป็นความจริงเป็นความรู้ที่จะนำพาไปสู่การดับทุกข์ได้ผู้ที่รู้แล้วก็เลยนำเอาไปเผยแผ่ให้ต่อผู้ที่ไม่รู้ กันต่อไปเป็นทอดทอดถ่ายทอดกันมาถึงเวลายาวนานถึงสองพันห้ารอยกว่าปีแล้วความรู้ความจริงอันนี้ก็ยังเป็นความรู้ความจริงที่เหมือนเดิมคือสามารถที่จะยังประโยชน์ให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ผู้ที่มีความทุกข์ มาดับความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจของตนได้อย่างพวกเรานี้ถ้าเราได้ยินได้ฟังได้รู้ความจริงแล้วเรานำเอาความจริงนี้มาปฏิบัติเราก็จะสามารถดับความทุกข์ภายในใจของเราได้ความจริงนี้ก็มีอยู่สองส่วน ความจริงที่เกี่ยวกับใจของเราและความจริงที่เกี่ยวกับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้นั่นเองสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ความจริงของเขาคืออะไรก็คือว่าเขาไม่เที่ยงนั่นเองเขาไม่ถาวรเขามีเจริญมีเสือ่อมมีเกิดมีดับเป็นปกติของเขา ไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมีการเกิดมีการเจริญมีการตั้งอยู่มีการเสื่อมและมีการดับไปเป็นธรรมดาและก็ไม่มีใครที่จะมายับยั้งความจริงอันนี้ได้มาเปลี่ยนแปลงความจริงอันนี้ได้มาห้ามความจริงอันนี้ได้ นี่คือความจริงของสิ่งต่า ง, างๆทั้งหลายในโลกนี้คืออันนีจ้จงแปลว่าไม่เที่ยงอนัตตก็คือไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของใครส่วนความจริงที่เกี่ยวกับใจของเราก็คือถ้าใจของเราไปอยากให้สิ่งต่างๆในโลกนี้เที่ยงอยากให้สิ่งต่างๆอยู่ภายใต้ การควบคุมบังคับของเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะว่าเราจะไม่สามารถที่จะทําได้ดังใจนั่นเองเวลาเราทําอะไรไม่ได้ดังใจเราจะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมาเช่นเราอยากจะให้คนที่ตายไปแล้วฟื้นกลับคืนมาอย่างนี้ต่อให้ ทำอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะทําให้คนที่ตายไปแล้วฟื้นกลับคืนขึ้นมาได้ยิ่งอยากให้ฟื้นกลับคืนขึ้นมาเท่าไหร่ก็ยิ่งจะมีความทุกข์มากขึ้นไปเท่านั้นหรืออยากไม่ให้คนที่มีชีวิตยอยู่นี้ตายไปก็เช่นเดียวกันยิ่งอยากมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกข์ทรมานใจมากขึ้นไปเท่านั้นแต่ถ้า รู้ว่าเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับเขาได้สั่งเขาได้ว่าไม่ให้เขาตายอย่างนี้หรือให้เขาฟื้นกลับคืนมาอย่างนี้ถ้าเรารู้ความจริงอย่างนี้เราก็ไม่ฝืนความจริงคืออย่าไปอยากให้เขาฟื้นถ้าเขาตายไปแล้วหรือถ้าเขากำลังจะตายก็อย่าไปอยากให้เขาไม่ตาย ก็เท่านี้เองนี่คือความจริงเกี่ยวกับใจของเราใจของเราทุกเพราะว่าเราอยากอยากให้สิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้นั่นเอง mm. ก็มีเท่านี้นี่คือความจริงที่จะมาแก้ความทุกข์ใจของพวกเราแต่การที่เราจะทําใจของเราให้ยอมรับกับความจริงได้ เราก็ต้องควบคุมใจของเราให้ได้เพราะตอนนี้ใจของเราไม่มีเครื่องมือที่จะควบคุมให้เขายอมรับความจริงถ้าเป็นรถยนต์ที่ก็เหมือนรถยนต์ที่วิ่งลงเขาไม่มีคนขับรถเก็ต ด, ดูก็แล้วกันรถที่วิ่งลงเขาไม่มีคนขับรถอะไรจะเกิดขึ้นกับรถยนต์คันนั้นมันก็ต้องวิ่งไปตาม เรื่องของมันถึงเวลาจะแห่โคงมันก็แหกโคง้งถึงเวลาจะชนกับรถคันนั้นชนกับรถคันนี้มันก็จะชนใจของเราตอนนี้ก็เป็นเหมือนรถวิ่งลงเขาไม่มีคนขับดีๆนี่เองเวลามันจะชนกับใครมันก็จะชนจะทะเลาะกับใครก็จะทะเลาะจะมีเรื่องกับใครก็จะมีเรื่องจะร้องห่มร้องไห้กห็ร้องห่มร้องไห้ขึ้นมา จะดี อ, อกดีใจก็ดี อ, อกดีใจขึ้นมาอยากให้มันดีใจไปตลอดมันก็ไม่ดีใจไปตลอดอยากไม่ให้มันเสีย อ, อกเสียใจก็ห้ามมันไม่ได้ถึงเวลามันจะเสีย อ, อกเสียใจที่ดูคนคนเดียวกันเนี่ยวันวันหนึ่งบางทีก็หัวละบางทีก็ร้องไห้อย่างนี้เขาเรียกว่าบ้าหรือเปล่าควบคุมใจไม่ได้เหรอควบคุมใจให้อยู่เฉยเฉยไม่ได้เหรอ เพราะเราไม่มีเครื่องมือพระพุทธเจ้ามีเครื่องมือที่จะควบคุมใจของเราให้อยู่เฉยเฉยไม่ให้ดีใจไม่ให้เสียใจไม่ให้เป็นบ้าไปกับสิ่งต่างๆนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมารับรู้แล้วก็นำเอาไปปฏิบัติกับใจของเรา กวบคุมใจของเราให้อยู่ปกติให้นิ่งให้สงบก็ความนิ่งความสงบของใจนี่แหละเป็นความสุขที่สุดยอดเป็นสุดยอดของความสุขไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้จะสุขเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบใจของเราจะสงบได้ก็ต้องมีเครื่องมือเหมือนกับรถยนต์ รถจ ะ, จะวิ่งไปได้อย่างปลอดภัยนำพาไปไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยก็ต้องมีเครื่องมือควบคุมรถยนต์รถยนต์ก็ต้องมีพวงมาลัยมีเบรกมีคนขับรถรถยนต์ถึงจะสามารถวิ่งไปบนท้องถนนได้อย่างปลอดภัยอยันในใจของพวกเรา ก็จะดำเนินไปได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขอย่างไม่มีความทุก์ไม่มีความวุ่นวายใจก็ต่อเมื่อเรามีเครื่องมือควบคุมใจของเรานั่นเองเนี่การศึกษาพระทรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เพื่อเอาศึกษาเอาเครื่องมือหรือถ้าเป็นรถยนต์ก็ไปเอาคู่มือที่เขาแจกให้กับ เจ้าของรถยนต์เวลาซื้อรถยนต์มานี้เขาจะมีคู่มือสำหรับอ่าให้คนขับคนเจ้าของรถยนต์นี้ไว้ศึกษาเพื่อจะได้รู้จักวิธีดูแลรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ดีให้สามารถใช้งานใช้การได้ไปอย่างปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพทันใดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ก็เป็นเหมือนคู่มือของชีวิตเหล่านี้เองชีวิตเหล่านี้เป็นเหมือนรถยนต์คันหนึ่งที่ต้องเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆถ้าเราต้องการให้ชีวิตของเราดําเนินไปอย่างปลอดภัยอย่างสุขอย่างสบายอย่างร่มเย็นเป็นสุขเราก็ต้องมีคู่มือชีวิตศึกษาคู่มือชีวิตให้ดี เพื่อที่เราจะได้ควบคุมดูแลรักษาชีวิตของเราให้ดำเนินไปในทางที่จะทำให้เรามีแต่ความสุขปราศจากความทุกข์ต่างๆพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิตอย่างร่มเย็นเป็นสุข เราจะจากความทุกข์ความวุ่นวายต่างๆเราจึงต้องศึกษาเมื่อศึกษาแล้วเราก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติถ้าเราศึกษาแต่เราไม่นำเอาไปปฏิบัติปล่อยให้มันเป็นไปตามบุญตามกรรมก็เหมือนกับมีคู่มือรถยนต์แล้วก็ไม่ใช้ไม่อ่านคู่มือของรถยนต์ ว่ใช้รถไปตามตามความสบายใจไม่เคยคิดจะเติมน้ำเติมน้ำมันเติมลมไม่เคยคิดจะตรวจสภาพของรถยนต์กลับไปไม่นานเดี๋ยวมันก็จอดมันจะวิ่งไม่ได้แต่ถ้าเราเปิดเครื่องมือดูเครื่องมือแล้วปฏิบัติตามคู่มือที่เขาสอนให้บอกเขาว่า ทุกวันควรจะทำอะไรบ้างก่อนจะเอารถออกไปวิ่งเช่นให้ตรวจ ด, ดูน้ำมันตรวจ ด, ดูน้ำตรวจ ด, ดูลมอย่างนี้ตรวจ ด, ดูสภาพแล้วทุกสามเดือนหรือทุกห้าพันกิโลควรจะนำเข้าศูนย์ไปเพื่อให้เขาได้ตรวจสอบความเรียบร้อยของรถยนต์ถ้าเราทำตามที่เขาแนะนำไว้ เราก็จะขับรถไปได้อย่างสะดวกอย่างสบายรถจะไม่ไปจอดกลางทางจะไม่ต้องไปโบกรถไปขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเพราะเราดูแลรักษารถยนต์ได้อย่างดีนั่นเองชีวิตของเราก็เหมือนกันถ้าเราศึกษาคู่มือชีวิตอยู่เรื่อยๆแล้วเรานำ เราปฏิบัติตามคู่มือชีวิตที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติชีวิตของเราก็จะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขจะมีแต่ความสบายไม่วุ่นวายไม่ทุกไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่พระพเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติ ก็มีสามข้อใหญ่ๆด้วยกันการปฏิบัตินี้เป็นการปฏิบัติเพื่อที่เราจะได้มาควบคุมใจของเราให้เป็นปกติไม่ให้เศร้าโศกเสียใจไม่ให้ทุกข์ทรมานใจไม่ให้วุ่นวายใจไปกับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ ถ้าเราปฏิบัติได้เราก็จะมีเครื่องมือไว้ควบคุมใจของเราให้เป็นปกติให้อยู่อย่างเฉยๆได้ไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายกับเหตุการณ์ต่างๆกับเรื่องราวต่างๆที่เป็นเรื่องธรรมดาปกติของโลกนี้เขาโลกนี้เขามีเรื่องราวของเขาอยู่เรื่อยๆเพราะโลกนี้เป็นโลกที่มี ปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกันข้อโลกนี้เป็นโลกของดินน้ำลมฝอยและดินน้ำลมฝอยก็เป็นสิ่งที่ไม่นิ่งเป็นสิ่งที่มีการเคลื่อนไหวมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆเวลามีการเคลื่อนไหวมีการเปลี่ยนแปลงก็มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเช่นเวลาลมเกิดการเคลื่อนไหวก็เกิดพายุขึ้นมา ถ้าแผ่นดินเกิดการเคลื่อนไหวก็เกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาถ้าน้ำเกิดการเคลื่อนไหวขึ้นมาก็เกิดน้ำท่วมขึ้นมาถ้าไฟเกิดการเคลื่อนไหวขึ้นมาก็เกิดอัคคีภัยต่างๆขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องปกติของโลกนี้โลกนี้เป็นโลกของดินน้ำลมไฟแต่เราไม่รู้เรื่องความจริงของเขาพอเห็นการเปลี่ยนแปลง เห็นการเคลื่อนไหวของดินน้ําลมไฟพวกเราก็ตื่นเต้นตกใจกันพอเราไม่อยากจะให้มันมากระทบกับดินน้ําลมไฟที่เราเป็นที่เรากําลังครอบครองอยู่ดินน้ําลมไฟก้อนที่เรากําลังครอบครองอยู่นี้คืออะไรก็คือร่างกายของเรานี่เองร่างกายของเราที่มีอาการสามสิบสองนี้มันก็เป็น ส่วนหนึ่งของดินน้ำลมไฟมาจากดินน้ำลมไฟในร่างกายเราก็มีน้ำมีดินมีลมมีไฟเหมือนกันเวลาดินน้ำลมไฟในร่างกายของเรามันแปรปรวนมันก็ทำให้ร่างกายเราเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าไฟแรงเกินไปก็เกิดเป็นโรคเป็นไข้ขึ้นมาถ้าน้ำเป็นอะไรมันก็เกิดอาการ ถายท้องขึ้นมาปวดท้องขึ้นมานี่คือสภาพของความเป็นธรรมดาของดินน้ํำลงไฟที่พวกเราไม่สนใจที่จะศึกษากันพวกเราสนใจอย่างเดียวคืออยากให้ทุกอย่างเป็นปกติไม่ให้มีการแปรปรวนไม่ให้มีการเสื่อมไม่มีการสลายความอยากของเราอันนี้แหละจึงทําให้เราต้องทุกข์วุ่นวาย ไปกับการเคลื ab ka ab ka ab enroll, ่อนไหวกับการแปรปรวนของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเวลาเกิดพายุขึ้นมาเราก็ตื่นเต้นตกใจกันเวลาเกิดแผ่นดินไหวก็เกิดอาการตื่นเต้นตกใจกันเวลาเกิดน้ำท่วมก็ตื่นเต้นตกใจกันเวลาเกิดอักคีภัยก็เกิดการตื่นเต้นตกใจกัน แต่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเกิดขึ้นอยู่ทุกแห่งทุกคนในโลกนี้เวลาที่ท่าสีในร่างกายของเราเกิดอาการแปกป่วนกันเราก็ยิ่งเกิดอาการตกใจขึ้นใหญ่เพราะเราไม่อยากจะให้มันแปกป่วนเราไม่อยากจะให้มันแยกออกจากกันเราอยากจะให้มันสามัคคีกันอยู่ด้วยกันไปนานๆแต่วันหนึ่งมันถึงเวลาที่มันจะต้องแตกแยกกัน แตกความสามัคคีกันมันจะไม่ยอมอยู่ร่วมกันแล้วเวลานั้นมันก็จะไปกันคนละทิศคนละทางลมก็ไปทางหนึ่งน้าก็ไปทางหนึ่งไฟก็ไปทางหนึ่งเด่นก็ไปทางหนึ่งนี่คือสภาพของร่างกายเวลาที่ธาตุทั้งสี่แตกความสามัคคีกันแตกแยกกันเขาก็จะไปกันคนละทิศคน ล, ละทาง คนตายนี่ถ้าไม่ได้เอาไปเผาหรือเอาไปฝังทิ้งไว้เฉยๆมันก็จะเสื่อมไปมันจะแยกทางไปน้ําในร่างกายมันก็จะไหลออกมาลมในร่างกายมันก็จะระเหยออกมาไฟในร่างกายมันก็จะระเหยออกไปเหลืออยู่แต่ส่วนที่เป็นดินทิ้งไปนานๆมันก็ ผุมันก็เปื่อยแล้วในที่สุดมันก็กลายเป็นดินไปเพราะว่ามันมาจากดินนั่นเองมันเป็นดินเป็นดินผสมกับน้ำผสมกับลมผสมกับไฟเหมือนกับเวลาที่เราทำขนมเราดินคือแป้งมาผสมกับดินคือน้ําตาลนามาผสมกับน้ำคือนมแล้วเราก็มาคุกมามา ผสมกันแล้วเราก็เอาไปใส่ในตเตาเผามันเอาไฟใส่เข้าไปมันก็กลายเป็นขนมให้เรารับประทานกันพอเรารับประทานเข้าไปมันก็เข้าไปในร่างกายของเรามันก็ไปรวมกกับส่วนที่เป็นดินมันก็ไปทำให้ผมยาวขึ้นทำให้เล็บยาวขึ้นทำให้ร่างกายอยู่ต่อไปได้นี่คือเรื่องของ ธาทั้งสี่ดินน e ้ำลมไฟเราอยู่ในโลกของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแต่เราไม่รู้ว่าเราเป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเราไม่รู้ว่าร่างกายนี้เป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่ใช่ตัวเราความจริงเราไม่ใช่เป็นดินน้ำลมไฟไม่ใช่เป็นร่างกายเราเป็นทาร้ธทารู้ก็คือใจนี่เอ ใจนี่มีหลายชื่อเราเรียกว่าผู้รู้บ้างธาตรู้บ้างใจนี่แหละที่มาเป็นผู้กำกับธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟคือร่างกายนี้เป็นผู้ขับเหมือนกับขับรถยนต์เหมือนกับคนขับรถยนต์ร่างกายนี้เป็นเหมือนรถยนต์ส่วนใจนี้ก็เป็นเหมือนคนขับคนขับที่จะ สั่งให้ร่างกายนี้ไปไหนมาไหนให้ทำอะไรต่างๆถ้าร่างกายนี้ไม่มีคนขับมันก็จะไปไหนมาไหนไม่ได้มันก็จะเป็นเหมือนคนตายนั่นเองเป็นซากศพซากศพนี้ไม่มีคนขับแล้วคนขับไม่อยู่กับร่างกายนี้แล้วเพราะว่าสั่งให้ร่างกายนี้ทำอะไรไม่ได้ก็เลยทิ้งมันไป เหมืนกับเวลาเราขับรถไปแล้วมันตา ย, ยานี่มันไม่ยอมวิ่งเราจะไปนั่งอยู่ในรถขับมันก็มันก็ไม่ยอมไปไหนเราจะทำอย่างไรเราก็ต้องทิ้งมันอย่างน้อยก็ต้องทิ้งไว้ชั่วคราวเพื่อที่จะไปหาเครื่องม้เครื่องมือที่จะมาทําให้รถยนต์วิ่งต่อไปได้แต่ร่างกายนี้พอมันตายไปแล้วมันทําให้มันกลับมาวิ่งใหม่นี้ไม่ได้แล้ว คนขับก็เลยไม่กลับมาหาร่างกายอันนี้คนขับก็ไปหาร่างกายใหม่ไปหาลูกไปตามโรงงานที่ผลิตร่างกายโรงงานที่ผลิตร่างกายอยู่ยที่ไหนก็อยู่ในท้องแม่เราเองเวลาแม่เราผลิตร่างกายใหม่ขึ้นมาเราก็ไปไปจับจองกันใครไปก่อนก็ได้ก่อนใครไปทีหลังไปไม่ทันก็ต้องไปหา โรงงานใหม่อันนี้ก็คือการเกิดใหม่ของพวกเราหลังจากที่ร่างกายเก่าตายไปแล้วใจคือผู้รู้ทารู้นี่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่ยังต้องการใช้ร่างกายอยู่ก็เลยต้องไปหาร่างกายอันใหม่ที่ร่างกายนี้มันโรงงานผลิตร่างกายนี้ก็มีหลายโรงงานด้วยกัน ผลิตเป็นมนุษย์ก็มีผลิตเป็นสุนัข ก, ก็มีผลิตเป็นแมวก็มีผลิตเป็นมดเป็นมแมลงก็มีเป็นปลาก็มีอันนี้อยู่ที่กำลังซื้อของเราแล้วเหมือนกับเวลาเราจะไปซื้อรถยนต์คันใหม่เรามีเงินมากเราก็ไปโรงงานรถเบนท์อย่างนี้ถ้ามีเงินน้อยก็ไปรถซูบารุอย่างนี้ซูซูกิอย่างนี้หรือไปโรงงานผลิตมอเตอร์ไซค์ก่อน ถ้าผลิตถ้าเงาะน้อยก่อนนั้นก็ไปทรงงานผลิตจักรยานก่อนอันนี้ก็อยู่ที่กําลังซื้อของเราแล้วแหละ ว, ว่าเราจะมีกําลังซื้อมากน้อยเพียงไรกําลังซื้อร่างกายนี้ก็คือบุญนี้เองบุญถ้าเราทําบุญมากเราก็จะมีกําลังซื้อมากก็จะได้ร่างกายที่ดี ถ้ามีกำลังซื้อน้อยก็จะได้ร่างกายที่ไม่ค่อยดีถจ้าจะซื้อร่างกายมนุษย์นี้ต้องหนีร่ต้องไม่ทำบาปถึงจะซื้อร่างกายมนุษย์ได้ถ้าทำบาปนี้ต้องไปซื้อร่างกายของสุนัขบ้างของแมวบ้างของวัวของควายบ้างของปลาของปูบ้างอันนี้เป็นกฎแห่งกรรมที่จะทำให้เรา มีร่างกายต่างๆไปตามกําลังซื้อของเราดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราเหมั่นทําบุญกันให้มากๆแล้วก็หมั่นละบาปกันให้มากๆพยายามอย่าทําบาปเลยเพราะถ้าทําบาปแล้วเดี๋ยวจะต้องไปซื้อรถยนต์ที่ซื้อร่างกายที่เราไม่ชอบกันไปซื้อ ร่างกายของมดบ้างของมแมลงบ้างของตุ๊กแกบ้างของจิ้งจกบ้างของวัวของควายบ้างเราจะไม่มีกำลังที่จะมาซื้อร่างกายของมนุษย์นอกจากว่าถ้าเราใช้กรรมหมดแล้วใช้นี่หมดแล้วไปเกิดเป็นสัตว์จนหมดกรรมแล้วเราก็มีมีบุญเก่าที่เรา พอที่จะมาซื้อร่างกายอันใหม่ได้แต่ก็อาจจะไม่ได้ร่างกายดีเหมือนกับร่างกายของคนที่มีกำลังซื้อมากๆเช่นคนที่เกิดมาแล้วมีรูปร่างหน้าตาอับประลักมีอาการไม่ครบสามสิบสองมีสุขภาพที่ไม่สมบูรณ์แข็งแรงมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน อันนี้ก็คือลักษณะของผู้ที่ทำบุญน้อยทำบาปมากพอใช้บาปหมดแล้วก็มาได้ร่างกายก็เหมือนกับซื้อรถซากกันแหนไม่สามารถที่จะซื้อรถใหม่ได้ต้องซื้อรถมือสองมาขับร่างกายก็เป็นเหมือนร่างกายมือสองคือไม่สมบูรณ์แบบหูหนวกบ้างตาบอดบ้างแขนขาดบ้าง มีโรคภัยไข้เจ็บเบ็ดเบียนเหมือนกับซื้อรถมือสองเลยซื้อรถมือสองมานี่วิ่งสองวันก็ต้องเข้าอู่สองสามวันก็ต้องเข้าอู่ที่ห น, นึ่งเนี่ยร่างกายของคนที่ทำบาปมากทำบุญน้อยเวลามาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะได้ร่างกายแบบนั้นแต่ถ้าทำบุญมากกว่าทำบาปนี่เวลาได้ร่างกายของมนุษย์ก็จะได้ร่างกายเหมือนกับ รถยนต์ที่ออกมาจากอู่ใหม่ๆเลยครบถ้วนบริบูรณ์อาการครบสามสิบสองรูปร่างหน้าตาสวยงามไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบ็ดเบียนนี่คือเรื่องของชีวิตของเราเป็นส่วนหนึ่งท่านั้นแต่มีอีกหลายส่วนด้วยกันอันนี้เป็นส่วนที่ไม่สำคัญแต่ก็เป็นส่วนที่เราควรจะรับรู้ไว้ ส่วนที่สำคัญก็คือต้องไม่ซื้อรถยนต์เลยจะดีกว่าถ้าไม่ซื้อรถยนต์ก็จะได้ไม่ต้องมาดูแลรักษารถยนต์ไม่ต้องคอยเข้าอู่ไม่ต้องคอยเติมน้ำเติมลมอย่างนี้จะดีกว่าการที่จะไม่ซื้อรถยนต์เลยเราก็ต้องมีบ้านที่มีความสุขพร้อมบริบูรณ์ถ้าเรามีบ้านที่มีความสุขพร้อมบริบูรณ์มีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการ เราก็ไม่จำเป็นจะต้องออกไปนอกบ้านที่เราออกนอกบ้านกันเพราะอะไรเพราะเรายังขาดสิ่งที่เราต้องการนั่นเองถ้าเรามีทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านแล้วเราออกไปข้างนอกบ้านให้เหนื่อยทาไมตอนนี้เรามันขาดขาดรูปเสียงกลิ่นรสแต่ถ้าเราอยู่บ้านแล้วเราสามารถเอาทุกสิ่งทุกอย่างเอารูปเสียงกลิ่นรสเข้ามาในบ้านเราได้เราทาไมต้องไปข้างนอกให้มันมาหาเราไม่ดีกว่าเลย สั่งมันมาไม่ดีกว่าเหมือนอาหารการกินทุวันนี้เราขี้เกียจออกไปกินข้างนอกเราก็โทรสั่งได้ให้เขาว่าเอามาส่งถึงบ้านเราได้แต่ที่เราโทรสั่งไม่ได้ก็เพราะว่าหนึ่งอาจจะไม่มีโทรศัพท์หรือไม่มีเงินจ่ายค่าข้าวส่งเราก็เลยต้องออกไปกินข้างนอกกันแต่ถ้าเรามีทรัพย์เป็นมหาเศรษฐีสามารถสั่งทุกสิ่งทุกอย่างให้เอามา ก็ให้กับเราที่บ้านได้เราไม่ต้องไปอยากจะดูหนังก็ให้เขายกโรงหนังมาไว้ที่บ้านเราเลยอยากจะกินอาหารร้านไหนก็ให้เขายกอาหารร้านนั้นมาตั้งไว้ในบ้านเราเลยเราต้องเป็นมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีของเราก็คือมหาเศรษฐีบุญนี่เองถ้าเราเป็นมหาเศรษฐีบุญแล้วเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมีรถยนต์มีร่างกายที่จะพา เราไปหาสิ่งต่างๆที่เราอยากได้เพราะเราสามารถให้สิ่งต่างๆมาหาเราได้นี่แหละก็คือการปฏิบัติที่พวกเราต้องการไปให้ถึงก็คือจุดนี้ให้เราเป็นมหาเศรษฐีบุญให้ได้การที่จะเป็นมหาเศรษฐีบุญได้นี้ต้องทำมากกว่าการทำบุญและละบาปการทำบุญละบาปนี้ยังไม่พอที่จะเป็นมหาเศรษฐี เป็นเศรษฐีแต่เป็นเศรษฐีที่ยังต้องไปเที่ยวต้องไปข้างนอกบ้านต้องไปหาสิ่งต่างๆข้างนอกบ้านอยากจะกินอาหารร้านนี้ก็ต้องไปที่ร้านถึงจะได้กินแต่ถ้าเป็นมหาเศรษฐีระดับมหาเศรษฐีอัครมหาเศรษฐีแล้วสั่งให้ร้านมาส่งมาที่บ้านเลยเราไม่ต้องไปที่ร้านให้เหนื่อยยากก่อนที่จะเป็นอัค ร, ะระมหาเศรษฐีนี้ต้องภาวนาะ การภาวนานี่จะทำให้ใจของเรานี้มีความอิ่มไม่มีความหิวกับสิ่งต่างๆ เ, ออเมื่อไม่มีความหิวมันก็เหมือนกับมีสิ่งต่างๆมาอยู่ในบ้านเราแล้วออมีสิ่งต่างๆคอยหล่อเลี้ยงจิตใจของเราไม่ให้เกิดความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้อันนี้แหละคือเป้าหมายที่แท้จริงของพวกเรา แต่ก่อนที่เราจะก้าวไปสู่ขั้นขั้นภาวนาได้นี้เราต้องผ่านขั้นทาบุญผ่านขั้นการละบาปก่อนถ้าทาบุญยังไม่ได้ละบาปยังไม่ได้ก็อย่าไปหวังเรื่องการภาวนาเลยเสียเวลาภาวนาไปก็จะเป็นภาวนอนใช่มากกว่านั่งสมาธิกันแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าทําไมง่วงนอนเยอะเกิน กเพราะว่ายังไม่ได้ทำบุญอยังไม่ได้ละบาปมันก็เลยมันก็เลยง่วงนอนมันขี้เกียจมันอยู่อยู่ดีกินดีเกินไปกินมากเกินไปพ อ, อ ก, กินมากมันก็อยากจะนอนแล้วเราต้องมาทำบุญละบาปกันก่อนเช่นเวลาอยากจะกินมากเกินความจำเป็นก็เอาเงินที่จะซื้ออาหารนี้ ซื้อแล้วเอาไปใส่บาตรแทนหรือเอาไปเลี้ยงคนแก่คนชราคนป่วยคนไข้คนเจ็บคนที่อดอยากขาดแคลนรเรากินพอสมควรก็พอกินแค่มื้อเดียวก็พ อ, อถ้าอยากจะภาวนาเนี้ต้องกินมื้อเดียวแล้ว อ, อย่างน้อยก็ต้องไม่กินหลังจากเที่ยงวันไปแล้วอพราะงี้มันจะกินมากเกินไปพอกินมากเกินไปมันก็จะขี้เกียจ มันจะอยากนอนเวลาจะนั่งสมาธิมันก็จะหลับสับประงกเราจึงต้องมาถือสีนแปดกันต้องมาละบาปกันต้องลดการใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขต่างๆเอาเงินทองนี้มาแจกจ่ายให้คนอื่นให้เขามีความสุขแทนเราเราไม่ต้องการความสุขแบบนี้เพราะความสุขแบบนี้เป็นความสุขที่ยังต้องใช้ร่างกาย ยังต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายถึงจะมีความสุขได้เช่นเราอยากจะดื่มอยากจะรับประทานเราก็ต้องมีร่างกายร่างกายก็ต้องสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยก็รับประทานไม่ได้ลับประทานก็ไม่ อ, ร, อร่อยถ้าเราไม่เราไม่หาความสุขทางร่างกายเราก็จะได้ ไปหาความสุขทางจิตใจไปภาวนาได้เราต้องเลือกทางเว่าเราจะไปทางไหนจะเอาความสุขทางร่างกายหรือจะเอาความสุขทางจิตใจถ้าจะเอาความสุขทางจิตใจที่เป็นความสุขที่สุดยอดกว่าความสุขทั้งหลายเราก็ต้องไม่เอาความสุขทางร่างกายเราไม่ต้องดูไม่ต้องฟังไม่ต้องหดืมไม่ต้องรับประทาน ไม่ต้องหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะไม่ต้องหาความสุขจากตาหูจมูกลิ้นกายเพราะมันเป็นความสุขเดียวเดียวชั่วคราวแล้วก็ไม่อิ่มไม่พอต้องหาอยู่เรื่อยๆต้องเติมอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าความสุขทางใจนี้ถ้าได้แล้วมันจะอิ่มมันจะพอแล้วมันจะไม่อยากได้อะไร ต่อไปเวลาร่างกายเป็นอะไรก็ไม่เดือดร้อนเพราะการหาความสุขทางใจไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือแต่ถ้าเราหาความสุขโดยใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือใช้เงินทองเป็นเครื่องมือเวลาไม่มีเงินทองเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยพิกลพิการไปเราจะไม่สามารถหาความสุขได้แล้วเวลานั้นเราจะมีแต่ความทุกข์ใจ มีแต่ความ ว, าว้าเหวเศร้าซ้อยหงอยเหงาเพราะเราไม่สามารถไปหาความสุขกับคนอื่นได้คนอื่นก็ออกไปเที่ยวกันได้ไปดื่มไปรับประทานกันได้แต่เราเป็นคนพิกลพิการเจ็บไายได้ป่วยเขาก็ปล่อยทิ้งเราอยู่ในบ้านอยู่คนเดียวแต่ถ้าเราหาความสุขทางใจได้เราจะไม่เดือดร้อนเราจะมีความสุขมากกว่าการออกไปหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายสิ ดังนั้นถ้าเราอยากจะเอาความสุขที่แท้จริงเอาความสุขที่ไม่ต้องกลับมาเกิดไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเราก็ต้องเลิกใช้เครื่องร่างกายตั้งแต่ตอนนี้ตั้งแต่ตอนที่เรายังมีร่างกายอยู่เราต้องเลิกใช้ตาหูจมูกลิ้นกายเลิกดูเลิ ก, เลกฟังเลิกดื่มเลิกรับประทานถ้าจะดื่มรับประทานก็ดื่มเพื่อรักษาร่างกาย อันนี้ไม่เหมือนกับดื่มรับประทานเพื่อความสุขการดื่มการรับประทานเพื่อร่างกายนี้ก็เหมือนกับเราดื่มยารับประทานยาถึงเวลาก็ดื่มถึงเวลาก็รับประทานถ้ายังไม่ถึงเวลาก็ไม่ดื่มไม่รับประทานแต่ถ้าเราดื่มเพื่อความสุขเราก็จะดื่มมันไปทั้งวันพออยากจะเกิดความอยากขึ้นมา <c oughs> ก็ต้องดื่มทันทีถ้าไม่ได้ดื่มก็จะทุกข์ขึ้นมาทันที มันหดหดตำคานใจถ้าต้องการจะรับประทานพอไม่ได้รับประทานก็จะหดหดตำคานใจขึ้นมาเนี่ยอันนี้เราต้องฝืนมันให้ได้อย่าไปทำมันอย่าไปทำตามมันวิธีที่เราจะทำได้ก็คือเราต้องมาทำใจให้สงบหัดทำใจให้สงบอันนี้แหละเป็นเครื่องมือที่เราจะเอามาต่อสู้กับข้าศึกศัตรูของเรา ถ้าศึกศูของเราก็คือความอยากนี่เองอยากดื่มอยากรับประทานอยากดูอยากฟังเราก็มาถือศีลแปดกันศีลแปดนี่ก็เป็นเครื่องมือที่จะสกัดความอยากวันนี้ถ้าเราถือศีลแปดเราก็ต้องไม่หาความสุขทางร่างกายแล้วเนาะไม่นุ่มหลับนอนกับใครแล้วคืนนี้ขอนอนคนเดียวไม่ดูทีวีไม่ไม่หาความสุข ทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าจะดื่มจะรับประทานก็ดื่มเพื่อร่างกายดื่มตามเวลารับประทานตามเวลาถ้าจะดื่มเพื่อร่างกายก็ดื่มน้ำเปล่าเปล่าก็พอไม่ต้องดื่มน้ำที่มีรสชาติมีกลิ่นมีสีอันนี้ดื่มตามความอยากความอยากในกลิ่นในสีในรสนี่เองถ้าดื่มเพื่อร่างกายก็ดื่มน้ำเปล่าจะเป็นประโยชน์กับร่างกายมากกว่าเสียได้ซ้าไป ดื่มเครื่องดื่มที่มีกลิ่นมีสีมีรสนี้ถ้ามากเกินไปก็เป็นพิษกับร่างกายเช่นน้ำตาลนี้ถ้ารับประทานมากเกินไปมันก็เป็นพิษกับร่างกายเนื้อรสของสุรายาเมาก็เหมือนกันถ้าดื่มมากไปก็ทำให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยได้เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังอันนี้เป็นการดื่มตามความอยากก็จะมี โทษมีอะไรตามมาหลายอย่างโทษทางร่างกายก็คือทำให้ร่างกายเจ็บ่ายได้ป่วยตายก่อนเวลาอันสมควรทางจิตใจก็คือเป็นธาตุของกิเลสตัณหาต้องคอยรับใช้กิเลสตัณหาอยู่เรื่อยๆเวลากิเลสตัณหาสั่งให้ไปหยิบมาก็ต้องไปทันทีสั่งให้ไปดูก็ต้องดูทันทีสั่งให้ฟังก็ต้องฟังทันที ชีวิตของเราตอนนี้เรากำลังเป็นทาตของกิเลสตัณหากันอยู่โดยไม่รู้สึกตัวกันเราคิดว่าเราเป็นเจ้านายแต่ความจริงเราเป็นทาตถ้าไม่เชื่อลองฝึกขัดขืนคำสั่งมันดูสักวันเดียถ้าเราเป็นเจ้านายมันบอกให้ไปหยิบโคลกลาเบ็ยซี่มาเดื่มไปชงกาแฟมาเดืมเนี่วันนี้จะไม่กินทั้งวันหูสิจะเป็นยังไงดูสิว่าจะสู้กันได้หรือเปล่า ถ้าเราสู้มันได้ต่อไปมันจะสั่งเราไม่ได้ต่อไปเราจะรู้สึกเฉยเฉยเห็นถึงเวลาดื่มกาแฟจะดื่มก็ได้ไม่ดื่มก็ได้ถึงเวลาจะดูละครจะดูก็ได้ไม่ดูก็ได้ไม่เดือดร้อนถ้าไม่ได้มีความอยากเราจะไม่เดือดร้อนถ้ามีความอยากจะเดือดร้อนเวลาอยากจะไม่อยากจะดูแล้วไม่ดได้ดูนี่หงุดหิดอารมณ์เสียง่าย ไคยมาพูดมาทำอะไรหน่อยก็อารมณ์เสียได้อย่างรวดเร็วนี่แหละคือโทษของความอยากที่เรายัางตกอยู่ภายใต้อานาจของมันอยู่นี่แหละคือค่าศึกษตัวของพวกเราคือความอยากความโลภนี่เองและเหตุที่ทำให้เกิดความโลภความอยากก็คือความหลงไม่รู้ว่าการทำตามความอยากนี้ทำให้เราเป็นทาตททำให้เราต้องทุกข์ ต้องถูกมันบังคับกดขี่ต้องพาให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดไม่มีวันจบวันสิ้นตายไปชาตินี้ร่างกายนี้ตายไปถ้ายังมีความอยากอยู่ก็จะต้องไปหาร่างกายใหม่ถ้าทำบาปไม่ได้ทำบุญก็ไปได้ร่างกายของเดละฉานบ้างถ้าทำบุญไม่ได้ทำบาป ก, ก็จะได้ร่างกายของมนุษย์ร่างกายของเทพ อันนี้เราไม่รู้กันถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงสั่งสอนเราก็จะหลงทําตามความอยากเพื่อเพลินกับการทําตามความอยากคิดว่านี่แหละคือสุดยอดของชีวิตการที่ได้อะไรดังใจอยากแล้วนี่รู้สึกว่าเป็นเป็นสิ่งที่เลื่จริงๆแต่ไม่รู้หรอกว่าได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอไม่รู้จักอิ่มได้มามากน้อยเพียงไรก็ยังอยากจะได้เพิ่มขึ้นไปอยู่เรื่อยๆ และเวลาไม่ได้ก็เสีย อ, อกเสียใจหงุดหงิดลำคาญใจบางครั้งก็เกิดความโกรธแค้นโกรธเคืองขึ้นมาถ้าสาเหตุที่ไม่ได้คือบุคคลมาขัดขวางทำให้เราไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้เราก็จะเกิดความโกรธแค้นโกรธเคืองบุคคลนั้นและอาจจะไปทำร้ายเขาไปมีเวรมีกรรมกับเขาอีกเมื่อเราไปทำร้ายเขาเขาก็จะกลับมาทำร้ายเรา ชีวิตของเราก็จะวุ่นวายกับการต่อสู้กันไงเพราะความอยากแท้ๆนี่เองถ้าไม่มีความอยากแล้วเราไม่ต้องไปต่อสู้กับใครเราจะไม่มีความผิดหวังเราจะไม่มีความโกรธใครเพราะเราไม่ได้อยากได้อะไรนั่นเองนี่คือข้าศึกศัตรูของเราและเครื่องมือที่เราจะใช้ในการต่อสู้กับข้าศึกศัตรูของเราก็คือการทำทาน การรักษาศีลการไม่ทำบาปโดยเฉพาะศีลศีลแปดศีลห้า น, นี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นไม่กำลังยังมีไม่มากพอต้องใช้ศีลแปดถึงจะมีกำลังที่จะสู้กับข้าศึกศัตรตูได้อย่างสมกับสมกับฐาน ะ, ะเพราะว่าถ้าไม่มีศีลแปดนี้ จะทำให้ข้าศึกศัตรูนี่นับแปดนับสิบไม่ได้ถ้าถือศีลหน้านี่ข้าศึกศัตรูยังสบายยังดื่มได้ยังดูยังเที่ยวได้ยังดูยังฟังได้ยังร่วมหลับนอนกันได้อยู่แต่ถ้าถือศีลแปดแล้วนี่ทำไม่ได้แล้วการถือศีลแปดนี่ก็กิน็ถือว่าเป็นการบวชชั่วคราวนั่นเองวันไหนที่เราถือศีลแปดวันนั้นเราก็เป็นนักบวชแล้ว พระนี่ก็เหมือนกับนักก็เหมือนกับคนที่ถือศีลแปดนี่ศีลของพระที่ที่คล้ายคลึงกันก็คือศีลแปดนี่ศีลพระที่มีสําคัญอยู่สี่ข้อใหญ่ๆก็คือการไม่เสพกามข้อหนึ่งไม่ร่วมหลับนอนกับใครแล้วก็การไม่หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจากเครื่องบันเทิงต่าง ๆ, างๆให้หาความสุขจากความสงบด้วยการภาวนา การภาวนาก็คือการควบคุมความคิดของเรานี่เองความคิดของเรานี่อย่างที่ได้พูดไว้เหมือนกับรถยนต์ที่วิ่งลงเขาเราต้องหยุดมันให้ได้ต้องควบคุมความคิดให้มันหยืนให้มันวิ่งบนบนท้องถนนอย่าให้มันแหกโค้งอย่าให้มันวิ่งไปชนกับรถคันอื่นการที่จะทำให้มันไม่ไปชนไม่ไปแหกโค้งก็คือให้มันจอดเฉเลยถ้ามันจอดแล้วมันก็ปลอดภัย จอดให้จอดรถให้ได้หยุดความคิดให้ได้ถ้าหยุดความคิดแล้วใจจะเย็นจะสบายจะมีความอิ่มมีความพอโดยที่ไม่ได้ไม่ต้องมีอะไรความอิ่มนี้เกิดจากการหยุดทํางานของความคิดพอหยุดความคิดได้จิตก็จะสงบจิตก็จะอิ่มเวลาเกิดความคิดขึ้นมาก็จะเกิดความอยากขึ้นมา พอคิดถึงตู้เย็นก really, really, ็อยากจะเปิดดูว่ามีอะไรคิดถึงตู้โทรทัศน์ก็อยากจะเปิดดูว่ามีอะไรคิดถึงคนนั่นคนนี้ก็อยากจะหาเขาอยากจะไปเที่ยวกับเขาอยากจะชวนเขาคุยด้วยอยากจะชวนเขาทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันเกิดความอยากขึ้นมาทันทีถ้าเราคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคลนั้นบุคคลนี้งั้นเราต้องพยายามสกัดความคิดอย่าให้ไปคิดถึงสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆ จะไม่คิดอยู่กับคำว่าพุโทโธพุทโธไปอย่างเดียวถ้าพุโทโธมันสั้นไปก็ให้คิดถึงบทสวดมนต์ก็ได้สวดไปเรื่อยๆอลาหังสัมมาสวาสดขาโตสุปัตปิปโนสวดไปภายในใจไม่ต้องออกเสียงให้มันเป็นความคิดอย่าให้มันเป็นเสียงออกมาเพื่อเราจะได้เพื่อเราจะได้ดูไม่แปลก ถ้าเราสวดมนต์ไปทำอะไรไปสวดมนต์ส่งเสียงไปเดี๋ยวเราจะเขาจะคิดว่าเราเป็นคนบ้าแต่เวลาเราคิดภายในใจนี่คิดพิสดารขนาดไหนก็ไม่มีใครรู้ใช่ไหมคิดวิจารณ์ขนาดไหนก็ไม่มีใครรู้ลองเอาความคิดนี้มาพูดให้คนอื่นก็าฟังเนี่ยเดี๋ยวก็จะหาว่าเราบ้าอันใดถ้าเราเวลาเราสวดมนต์เราก็สวดไปภายในใจอย่าออกเสียง การสวดมนต์นี้ก็เพื่อเป็นการเลี่ยงไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่นเองเบี่ยงเบนเอาใจมาคิดในเรื่องที่ไม่ไม่ทำให้เกิดความอยากทำให้ใจว่างทำให้ใจเย็นทำให้ใจสบายทำให้ใจสงบอันนี้เรียกว่าเป็นการเจริญสติเพื่อทำให้ใจสงบพอใจสงบก็เป็นสมาธิพอใจสงบใจก็จะเย็นสบายนิ่ง ไม่มีความหิวไม่มีความอยากเป็นอุเบกขาสักแต่ว่ารู้อยู่เฉยๆไม่ไม่เดือดร้อนร่างกายจะเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ไม่เป็นไรไม่รู้สึกลำคานใจจนเวลานั่งสมาธิแล้วพอใจสงบแล้วนี้นั่งได้นานเป็นชั่วโมงก็นั่งได้ร่างกายอาจจะเจ็บตรงนั้นบ้างเจ็บตรงนี้บ้างก็จะไม่เป็นปัญหาอะไรไม่เหมือนกับตอนที่ไม่สงบนี้นั่งไปห้านาทีพอเจ็บตรงนั้น ปวดตรงนี้ก็ทนไม่ได้แล้วเพราะใจไม่สงบใจมีกิเลสมีตัณหามีความอยากให้ความเจ็บหายไปกอมีความอยากให้ความเจ็บหายไปก็ต้องขยับขยับตัวถ้าไม่ขยับตัวก็ทนไม่ไหวนั่งอยู่ต่อไปไม่ได้อยู่ดีก็ต้องขยับอยู่ดีนี่คือปัญหาเวลาที่ใจไม่สงบแล้วกิเลสมันจะทำงานอยู่ตลอดเวลา กิเลสมันจะไม่ชอบอยู่เฉยๆมันจะไม่ชอบสิ่งซ้ำซ้ซักซากเนั่งอยู่ตรงนี้ถ้าไม่ได้ทําอะไรห้านาทีก็ทนนั่งไม่ได้แล้วต้องลุกขึ้นไปเดินนะเดินนสักห้านาทีก็เบื่อแล้วต้องไปทําอย่างนั้นอย่างนี้นีนน่คือนิสัยของกิเลสมันจะอยากไปเรื่อยๆอยู่ตรงนี้ก็อยากจะไปตรงนั้นอยู่ตรงโน้นก็อยากจะไปตรงนั้นอยากไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเท่าไหร่มันก็เหมือนเดิมมันก็ไม่หายอยากสักที แต่ถ้าเราทําใจให้สงบได้แล้วเราก็จะอยู่เฉยๆได้ก็ เ, เรียกว่าอยู่เป็นสุขได้ทั้งวันนี้นพวกเราอยู่ไม่เป็นสุขกันอยู่แล้วคันไม้คันมือกันเขาเรียกว่าสนอยู่แล้วอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องทำํนทำนู่นทํานี่แล้วทําไปทํามาเดี๋ยวก็เป็นเรื่องเป็นราวกันขึ้นมาถ้าทําใจให้สงบได้แล้วก็สบายไม่ต้องทําอะไร อยู่เฉยๆถ้าจะทำก็ทำด้วยเหตุผลถ้าทำด้วยเหตุผลนี่ไม่เป็นป้นไม่เป็นความอยากทำเท่าที่จำเป็นพอทำเสร็จแล้วก็จะหยุดไปเองแต่ถ้าทำตามความอยากแล้วเสร็จแล้วก็ไม่หยุดเสร็จงานนี้ก็อยากจะทำงานนั้นต่อเพราะมันอยู่เฉยๆไม่ได้มันอยู่ไม่เป็นสุขพออยู่เฉยๆแล้วจะลาคาญใจจะหงุดหงิดลำคาญใจก็ต้องทาไปเรื่อยๆอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นคนมีกรรม อยู่ไม่เป็นสุขที่อยู่ไม่เป็นสุขก็เพราะว่าควบคุมความคิดไม่ได้ควบคุมใจไม่ได้ไม่รู้จักควบคุมใจคนที่รู้จักควบคุมใจแล้วนี่จะสบายไม่ต้องทำอะไรมากทำเท่าที่จำเป็นเพราะสิ่งต่างๆที่เราทำทำแล้วมันก็เท่านั้นะมันก็ไม่ได้ทำให้เราวิเศษวิโสขึ้นมามันก็ไม่ได้ทำให้ความทุกข์ภายในใจของเราน้อยลงไป หรือทาให้ความสุขภายในใจของเรามากขึ้นมาแต่อย่างใดมันก็ยังมีเท่าเดิมหรือมีมีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นเพราะอยากจะทํามากขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าทําใจให้สงบได้มันก็จะอยู่เฉยๆได้มีความสุขได้มีความสุขมากกว่าตอนที่ใจไม่นิ่งเราจะติดใจจะเห็นว่าคุณประโยชน์ของความสุขนี้แหละเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่จิตใจอย่างยิ่ง ว่าใจไม่ต้องไปเด่นนลต่อสู้ไม่ต้องไปแสวงหาสิ่งต่างๆแล้วก็สิ่งต่างๆที่ไปเด่นนลต่อสู้ไปแสวงหาาได้มาได้มาเดียวๆมันก็หมดความหมายไปแล้วมันก็ไม่มีความหมายแล้วอยากจะได้ใหม่แล้วได้กระเป๋าใหม่วันนี้เดี๋ยวอีกสองสามวันก็อยากจะได้กระเป๋าใบใหม่อีกแล้วเห็นอะไรใหม่ันอยากจะได้หมดเห็นแหวนวงใหม่ก็อยากจะได้แหวนวงใหม่ เห็นต้มหูคู่ใหม่ก็อยากจะได้ต้มหูคู่ใหม่เห็นมือถือรุ่นใหม่ออกมาก็อยากจะได้รุ่นใหม่อยากไปเรื่อยๆนี่แหละคือความอยากที่จะทำให้ชีวิตของเรานี้ต้องดิ้นรนต่อสู้แสวงหาไม่รู้จักจบจากสิน้นและเวลาที่ไม่สามารถแสวงหาได้เวลานั้นก็จะเป็นเวลาที่เศร้าโศกเสียใจทุกทรมานใจดังนั้นเราจรึงต้อง หยุดความอยากให้ได้ความอยากนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้เราต้องทุกข์ทรมานใจถ้าไม่มีความอยากแล้วเราก็จะไม่ทุกข์ทรมานใจการจะหยุดความอยากในเบื้องต้นก็หยุดด้วยการควบคุมความคิดนี้ควบคุมเพื่อให้จิตนิ่งให้สงบแต่ความสงบนี้ก็เป็นความสงบชั่วคราวพอเราพอกาลังที่เราใช้ควบคุมความคิดนี้อ่อนกาลังลงความคิดมนก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่ ถ้าเราอยากจะหยุดความอยากอย่างท้าวรเราก็ต้องสอนใจไม่ให้คิดไปในทางที่จะทำให้เกิดความอยากก็คือให้คิดว่าสิ่งที่เราอยากได้นี้เป็นเหมือนยาพิษเป็นโทษกับจิตใจของเราไม่ได้เป็นคุณเป็นประโยชน์ถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เราอยากจะดื่มนี้เป็นยาพิษเราอยากจะดื่มหรือไม่ถ้าเกิดเขาไปวิจัยพบว่าเนี่ยเครื่องดื่มที่กาลังดืมไปทุกวันเนี่ยเป็นเหตุที่ทาให้เกิดโรคมะเร็งเนี่ย มีใครยังอยากจะเด่นกันอีกหรือเปล่าตอนนี้เราไม่รู้กันว่ามันเป็นพิษเป็นภัยเราคิดว่ามันเป็นคุณเป็นประโยชน์เดื่มแล้วมีความสุขมีความสบายเพราะว่าเราไม่รู้ว่าความจริงแล้วเดื่มแล้วมันเป็นความทุกข์เพราะต้องเดื่มไปเรื่อยๆไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นสุดจะอยากไปเรื่อยๆนั่นเองและเวลาไม่อยากเวลานั้นก็จะทุกข์ขึ้นมาทันที ต้องมองให้เห็นให้ได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเป็นยาพิษไม่ใช่เป็นขนมหวานถ้าเห็นอย่างนี้แล้วก็จะไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรพอไม่มีอยากไม่ได้อยากมีอะไรแล้วก็จบอยู่เป็นสุขได้อยู่เฉยๆได้ไม่เดิมไม่รับประทานก็อยู่ได้ไม่มีร่างกายก็ไม่เป็นปัญหาอะไรสบายใช่อีกไม่ต้องคอยมาเลี้ยงดูร่างกาย เหมือนคนที่ไม่ต้องออกนอกบ้านก็ไม่ต้องมีรถยนต์เอมีรถยนต์ไปทําไมเมื่อไม่ได้ขับมันแล้วเมื่อไม่ได้ใช้มันแล้วจอดทิ้งไว้มันก็เดี๋ยวมันก็กลายเป็นเศษเด็กไปนี่คือสภาพของจิตใจที่หยุดความอยากได้แล้วจะเป็นอย่างนั้นจะไม่ต้องไปหาร่างกายอันใหม่จะไม่ต้องไปหารูปเสียงกลิ่นรสปวดเฉพาะมาให้ความสุขกับตนพราะมีความสุขที่ดีกว่าเหนือกว่าอยู่ภายในใจ ก็คือความสุขที่เกิดจากการได้ทำลายความอยากทั้งหลายให้หมดไปจากใจนี้เองอันนี้ต้องทำลายด้วยปัญญาต้องเห็นว่าทุกอย่างเป็นยาพิษทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นเหมือนยาพิษเป็นเหมือนลูกระเบิดมันจะระเบิดใส่เราเมื่อไหร่ไม่รู้เวลาอยู่กับมันเราก็คิดว่ามันให้ความสุขกับเราเช่นสามีเราภรรยาเรานี่เวลาอยู่ร่วมกันก็สุขเหนือเกินเดี๋ยววันดีคือดีเกิดเขาตายไปนี่ ความสุขก็จะหายไปความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นตามมาไม่เชื่อลองไปถามคนที่เขาเสียสามีเสียภรรยาดูว่าเป็นอย่างไรอันนี้แหละคือสิ่งที่พวกเรากําลังกอดอยู่ก็คือกอดลูกระเบิดนี้เองไม่รู้ว่าลูกระเบิดนี้มันจะระเบิดขึ้นมาเมื่อไหร่เราเป็นเหมือนเด็กๆ เ, เราไปเล่นไปเห็นลูกระเบิดแล้วคิดว่าเป็นของเล่นพอผู้ใหญ่เห็นเขาก็ตกใจบอก รีบเอาไปทิ้งเสียลูกอย่าไปอยู่ใกล้มันนะเดี๋ยวมันระเบิดสายตายเอานะพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนผู้ใหญ่ท่านบอกว่าอย่าไปยุ่งกับรูกเสียงกินรดโผฏ ภ, ภะนะอย่าไปอยากนะอยากแล้วเดี๋ยวมันจะทุกข์นะไม่เชื่อไม่ฟังกันไม่ยอมทาตามไม่ยอมรักษาศีลแปดไม่ยอมภาวนากันไม่ยอมบวชกันจะเอาแต่เล่นจะเอาแต่เที่ยวกันอย่างเดียว แล้วเวลาทุกข์อย่ามาโทษใครนะไม่มีใครช่วยเราได้นะเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาเอาละนะการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงท่านี้จะ อ, อนุโมทนาให้พรยาถาวาเรวะหาปุราปาริปเรนติสักรงเอวเมวะอิตทินางเปตานางอุปกาปติ อิชิตังปฏิตังตุ მ หังคิปะเมวัสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกะปาจันโทปนะระโสยถามานิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพารโควินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีขาโยโกภาว อาพิวาทานาสีฤทธานิจังวุธาปจายโนยตารุธรรมะวะทานติอายุวันโอสุขังภาลางท่านที่ยังไม่ได้หนังสือใหม่มาเอาได้นะมีหนังสือใหม่ตอบปัญหาคาใจเริ่มที่เจ็ดถามได้เลย อ่าเดี๋ยวอ่าทาอที่แ่าคือประกอบเป็นคนคิดเป็นานีแต่แต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวอะไรเพราะว่ารู้สึกว่าพักนี้แบบความคิดมันนที่ได้คิดะไข้างบาีมันเฉเฉยทีไม่ไดต่อยอดคิดอะไรแบบแต่ภาวะการรอมันเหมือนเราเนี้ยเป็นคนคเกียรตความคิดมันคเกียถ้าคิดคิดเกียทางความคิดนี้ดีถ้าขยันคิดเนี่ยไม่ดี หรือว่ามันแล้วแต่ว่าคิดไปในทางไหนด้วยถ้าคิดไปในทางธรรมะเนี่ยดีถ้าคิดไปในทางกิเลสไม่ดีคิดที่จะหาเงินหาทองหาเรื่องหาเราหาความสุขชนิดต่างๆนี้อย่างคิดแบบนี้ไม่ดีถ้าไม่คิดอย่างนี้ก็ดีถ้าไม่คิดได้ก็ดีเฉยๆได้ก็ดี แล้วถ้าเราเห็ความโลกแต่ทางโลกมันจะเหน็นว่าเราเรารไม่ฉลาดเาาท่าะเราทำผะอย่างบางที<ม>ถ้าเราไปเจอคนเจอกระเป๋าแล้วเราแล้วแต่เราไม่กลับอาเราบีคอต่อเหมือนเราก็เคยความคิดมนไม่ทา ง, งานไม่หานอย่างย่าถ้าเป็นมาก่อนอะไรแบนนี้เป็นคนอย่างนี้อย่างนี้อยนีเหมือนกลับมาคิดต่อแบบเกิดเกิดมันรู้สึกวที่มันอย่างนี่ให้คิดแล้มันเลยทำใเราเหมืนใจคนไม่เท่าทัน ก็อยู่ที่ว่าทำไมเราถึงไม่คิดเพราะ่าเราเบื่อเรือว่าเรารู้ทันแล้วว่าเขาเป็นอย่างนี้ขี้เกียจคิดให้เสียเวลาถ้าอย่างนี้ก็เราแสดงว่าเรารู้เท่าทันแล้ ว, ลวคือการรู้เท่าทันนี้ไม่สำคัญเท่ากับรู้เท่าทันตัวเราเองปัญหาอยู่ที่ตัวเราคือเราหลงเรารู้ไม่เท่าทันความหลงของเรา อันนั้นเราไม่ต้องกังวลกับรู้เท่าทันคนอื่นนะคนอื่นเขาหลอกเราไม่ได้คนที่หลอกเราก็คือตัวเราเองคนที่ว่าดีไม่ใช่เขามาบอกว่าเราดีหรอกเราเป็นคนบอกว่ามันดีเองเพีง<ม>แต่เข้ามาพูดเท่านั้นเราก็เราเราเราเห็นว่ามันดีอยู่แนละ้วพอเขาบอกว่าดีก็เลยเชื่อกันไปด้วยกันได้เลยแต่ถ้าเรามีปัญญาเราเห็นว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ดีต่อให้คนเอาทองมาให้กองเท่าภูเขาก็ไม่เอา นี่ยคือการรู้เท่าทันที่แท้จริงต้องรู้เท่าทันความหลงของเราตอนนี้เราไปหลงเห็นว่ากองทองกองเท่าภูเขานี้เป็นของดีถ้าอย่างนี้เราก็จะเป็นเครื่องมือของคนอื่นได้ทูกคนอื่นก็หลอกได้คนก็าเอาทองเก๊มาหลอกเอาทองจริงจากเราได้แลไม่ต้องกังวลเรื่องคนที่จะไม่รู้ทันหรือไม่รู้ทันเขาให้เรารู้ทัน ความหลงเราก็คือให้เรารู้ทันความจริงว่าของทั้งของต่างๆทั้ ง, ง, งหลายในโลกนี้ไม่มีอะไรดีเลยเพราะเป็นของชั่วคราวเป็นของที่ไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ภายในใจของเราได้ถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วต่อให้ใครจะมาหลอกเราอย่างไรก็หลอกเราไม่ได้เรื่องความคิดไม่คิดนี่มันบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของอารมณ์ั้ง บางช่วงมันอาจจะขี้เกียจคิดเบื่อคิดมันก็ไม่คิดไปก็ได้บางช่วงมันก็อารมณ์อยากจะคิดมันก็คิดแต่ความคิดนี้มันมีอยู่สองชนิดด้วยสองทางคิดไปในทางโลกเมื่อคิดไปในทางธรรมถ้าขายันคิดไปในทางโลกนี้ก็ไม่ดีคือคิดไปในทางโลกความโกรธทางหลงนี้ไม่ดี แต่ถ้าคิดไปในทางธรรมเช่นคิดไปในทางบุญทางทำบุญรักษาศีลภาวนาอย่างนี้ถ้าคิดอย่างนี้ดีเพราะมันจะนำไปสู่การกระทำที่ดีทำให้จิตใจชีวิตของเรามีความสงบมีความสุขเนี่ยเราต้องคอยดูความคิดของเราว่าเราคิดไปในทางไหนถ้าคิดไปในทางความโลภความโกรธความหลงความอยากนี้ก็ไม่ดี ถ้าคิดไปในทางไม่อยากไม่โลภไม่โกรธไม่หลงอันนี้ดีเช่นใครมาชวนให้เราไปลงทุนเราก็ไม่อ่ะพอละมีแค่นี้ก็พอกินละอย่างนี้ก็ไม่ถูกก็หลอกนะแต่ถ้ายังโลภอยู่เดี๋ยวดีไม่ดีก็ถูกก็หลอกหลอกไปลงทุนแล้วเดี๋ยวก็เงินก็หายไปไม่ได้คืนกลับมาเอาวะ ที่ท่านอาจารย์เคยสอนหรือว่าเวลาที่เราเกิดคือตัวกางนี้นนะคะ่ะมันจะเกิดตัวคือผู้อยากนะตรงนั้นนี่จะเป็นอุปชานแล้วใช่ไหมคะอย่าไปอย่าไปสนใจชื่อมันเลยมันจะเป็นอะไรกับช่างมันดูตรงที่ว่าเราเราสงบหรือไม่สงบแล้วดีกว่าถ้าอยากแล้วมันสงบหรือไม่สงบอยากแล้วมันอยู่เฉยๆได้หรือเปล่าถ้าอยู่เฉยๆไม่ได้ก็ไม่ดีแล้ว ต้องกลับมาให้มันอยู่เฉยๆได้พอคิดอยากจะไปหาลูกนี้นั่งภาวนาไม่ติดนั่อย่างเงี้ยนี่มันไม่ดีแล้วอมั น, ม, นมันอยากก็ไม่เป็นไรแต่เราไม่ทำเลอเ อ, เ อ, อยากแล้วก็ปล่อยมันไปเบาะว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะไปทำตอนเวลานี้เรามีภารกิจที่เราจะต้องทําคือภาวนาแล้วก็ภาวนาของเราต่อไปแล้วอาจารย์แล้วคือตัวที่เกิดนี่หมายถึงว่ามันมันต้องเลยขั้นตอนที่ว่า เขาอยากแล้วเราไปทำแล้วก็นั่นแหละเวลาไปทำก็เป็นพบใหม่แล้วจากพบก็คือเนี่ยจากนั่งก็ไปเดินนี่มันก็เป็นพบใหม่แล้วเปลี่ยนสภาพใหม่ละเปลี่ยนสถานภาพจากนั่งภาวนาอยู่บ้านก็ไปงานแต่งงานเขาแล้วเนี่ยเมื่อเช้ามีใครมาถามมันจะไปงานแต่งงานอ๋อแล้วนั่นก็เป็นพบแล้วเป็นพบใหม่แล้ว นั่นนะสิเขาบอกว่าขอเกิดความอยากว่ามันก็จะพาให้ไปสู่พบใหม่พออยากจะไปงานแต่งงานก็ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าจากชุดขาวไปเป็นชุดเขียวชุดแดงแนี่ก็เป็นไปเกิดใหม่แล้วเป็นพบใหม่ภาวะใหม่คำว่าพบก็เป็นภาวะไลมาจากคำว่าภาวะภาวะก็คือสถานภาพเนี่ยสถานภาพตอนนี้เราเป็นนักบวชนั่งสมาธิอยู่พอมีบัตรใบกระบัด บัดฉันไ่ไปงานแต่งงานก็อยากไปก็ไปเลยก็เปลี่ยนชุดขาวไปเป็นชุดเขียวชุดแดงจากผมก็ไปเป็นเทพก่อนนะเป็นพบแล้วเข้าใจไหไปเกิดใหม่แล้วกิจแปงไปแล้วจากเทพก็มาเป็นผมแล้วเพราะได้ไปิดกินเลี้ยงนะไปได้ไปดูเขาล้องร้องรำทําเพลงนะนเวลาไปงานแต่งงาน ปรมานี้มีคนมาทําบุญแล้วเขามีหนังสือมามาห่อหนึ่ง็มาเป็นหนังสือเกี่ยวกับสุขภาพยหนังสือชีวิกเขาบอกจะให้เรามาแจกว่าเอาได้แต่พอมาเปิดดูโอ้เว้ยมันมีแต่ภาพผู้หญิงแต่งชุดแฟชั่นข้างในมีแต่โฆษณาแต่เครื่องสัมมางเครื่องอะไรต่างๆเวลากลับไปมั น, ม, นมันไม่ใช่ที่แจก <laughs> แจ่ไวลาเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดว่าเรากำลังสอนอะไรกันแน่ว่เราหงพ่อครับทุกคนนี้นั่งสมาธิดูลมหายใจนะครับจะเห็นจุดหนึงแล้วเนี่ยมันก็ชอบเคลิ้มไปจากม้อยะไนี่ทราบว่าจะคองแก้ไขยังไงคุณเปลี่ยนโดยการพุทโธก็ก็ควรยังไม่ควรตามนิมิตไปควรจะหาอะไรยึดไว้ใช้พุทโธดึงเอาไว้ก็ได้ บริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปเลยใช้สติ ด, ดึงกลับบอกว่าอย่าตามไปรู้ให้ความจริงเวลาภาวนานี่มันต้องมีอะไรสักอย่างหนือไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจคือนั่งแบบใจลอยๆนี่มันจะไม่ไม่ได้ประโยชน์มันจะไม่พาเข้าสู่ความสงบมันก็จะลอยไปตามอารมณ์ตามนิมิตต่างๆที่ปรากฏขึ้นม า, าเราต้องมีอะไรยึดสักอย่างหนึองลมหายใจก็ได้การบริกรรมพุโทโธก็ได้ เราเป้าหมายของการภาวนาก็คือความว่างความสงบความนิ่งความสบายอันนี้ต่างหากที่เราต้องการแต่ระหว่างทางนี่มันอาจจะไปเจอนิมิตไปเจออะไรต่างๆได้ก็อย่าไปสนใจเหมือนกับเราขับรถกลับบ้านเนี่ยระหว่างทางอาจจะผ่านลงภา พ, พยนตร์ผ่านคาราโอเกะอะไรเราก็อย่าจอดขับไปเรื่อยๆอย่าโล่อย่าไปเสียเวลากับลงภา พ, พยนตร์กับ ลงคาราโอเกะขับรถไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะได้ถึงบ้านดังการภาวนาเราก็ต้องการไปสู่บ้านของเราก็คือความสงบความว่าความสบายใจ ม, มันจะเกิดขึ้นบางครั้งมันก็มีของมาลบขวนใจมาขวางทางอยู่บางทีก็มีภาพมีนิมิตอะไรต่างๆปรากฏขึ้นมาเราก็อย่าไปตามมันถ้าตามมันก็เหมือนกับว่าเราไม่ขับรถไปแลเราลงจากรถไปไปเที่ยวแล้ว ถ้าเราใช้พุโทโธแเราก็พุโทโธต่อไปดูลมก็ดูลมต่อไปเีนี้เหมือนจะสลับไปสลับมาอะไรก็ได้ไม่เป็นไรนะขอให้มันมีอะไรดึงมันไว้ก็แล้วกันพระอาจารย์ครับเมื่อเช้าสถานีวิทยุปเปิดอ่ากำลังใจตอนที่สองร้อยแปดสิบเก้าของพระาจานะครับแล้วพระอาจารย์เทศว่าอ่าถ้าต้องการจะเกิดเป็นมนุษย์ต้องรักษาสี่ห้า ถ้าทำแต่บุญไม่รักษาศีลห้าก็จะได้ไปเกิดมีรูปสวยงามแต่จะเป็นไ ป, น เ, ปนเป็นหมาบ้างเป็นสัตว์บ้างเป็นอะไรเงี้ยแต่ว่าก็าจะมีคนซื้อไปเลี้ยงเอาไปดูแลอะไรเงี้ยแต่ว่าจะไม่ได้อยู่ในร่างของมนุษย์ดังนั้นหมายความว่าผู้ที่ทำบุญอย่างเดียวโดยไม่มีศีลห้าจะต้องเกิดไปเป็นสัตว์เดรัจฉานาหมดลยครับหรือว่าเพราะยังทาบาปอยู่ไห เมื่อทำบาปก็ต้องไปเกิดในอบายถ้ามีถ้าผู้ที่ผู้ที่ทําบุญแต่ว่ามีศิทธห้าไม่ครบเนี่ยครับก็ยังจะต้องเป็นอุบายอยู่ไหมครับไปอุบายอ๋อต้องครบใช่ไหมครับสิทธิ์ห้าต้องครบก็ยังแต่แต่ก็มีสิทธิ์ไหมครับที่แบบทําแต่บุญไม่มีสิทธห้าแล้วจะไปเกิดเป็นมนุษย์ที่มีสิทธิ์ไหมครับถ้าถ้าบุญมากกว่าบาปอย่างนี้เวลาตายไปก็ยังไม่ต้องไปใช้หนี้ไปรับไปรับผลบุญก่อนได้ เช่นสมมติว่าเวลาตายไปนี่บุญมีกําลังมากกว่าบาปองี้บุญก็จะดึงไปไปรับผลบุญก่อนไปเป็นเทพก่อนพอบุญกับบาปมีกําลังเท่ากันก็กลับมาเป็นมนุษย์ก่อนแล้วมาทําบุญทําบาปใหม่เวลาตายไปถ้าเกิดบาปมากกว่าบุญทีนี้บาปก็จะดึงไปเด้งไปเราไปใช้บาปจนทั้งบุญกับบาปมีกําลังเท่ากันก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ พบของมนุษย์นี้เป็นพบแบบพบแล้วที่บุญกับบาปมีกำลังเท่ากันไม่สามารถดึงไปสวรรค์ได้ไม่สามารถดึงไปอาบายได้ก็มาเป็นมนุษย์กันคือการมีศีล น, นี่มีอยู่สองลักษณะมีแบบ มีแบบชั่วคราวกับมีแบบเป็นนิสัยถ้ามีแบบเป็นนิสัยนี้เรากลับมาเกิดกี่ชาติเราก็จะมีนิสัยนี้ติดตัวมาจะชอบรักษาศีลแต่ถ้าเป็นแบบศีลชั่วคราวเช่นเวลาเราอยู่บ้านของคนที่มีศีลเขาก็บังคับให้เราถือศีลไปกับเขาแต่เราไม่มีนิสัยที่จะถือศีลพอเราย้ายไปอยู่บ้านคนอื่นเขาไม่ถือศีลเขากินเหล้าเมายาเราก็ไปกินเหล้าเมายาตามเขา อย่างนี้แสดงว่ายังไม่เป็นนิสัยถ้าเป็นนิสัยแล้วถึงแม้ว่าเราจะย้ายบ้านไปอยู่กับคนที่กินเหล้าเมายาคนที่ทําบาปทํากรรมเราก็จะไม่ทําตามเขาอยู่ที่ว่าเราทํามากหรือไม่มากทํามากทําบ่อยทำจนกระทั่งมันฝังลึกเข้าไปในใจมันก็จะเป็นนิสัยที่นิสัยมันก็มีแบบนิสัยแบบว่าดาเล่นนิสัยบางก็เรียกว่าเขาเรียกว่าสันดานเนี่ย ถ้ามีสัญญาในทางดีก็เรียกว่าเป็นบุญบารามีเช่นการมีนิสัยรักษาศีลนี่เรียกว่าศีลบาลมีมีนิสัยทําทานก็เรียกว่าทานบารามีแต่ถ้ามีนิสัยทําบาปเขาก็เรียกว่ากรรมชอบทํากรรมอยู่เรื่อยๆชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์นี่อันนี้ก็เป็นนิสัยทางบาปแต่ทั้งนิสัยดีและนิสัยไม่ดีนี่เราเปลี่ยนได้ คนที่มีนิสัยดีถ้าก่อมีความเห็นผิดเป็นชอบเกิดมาคิดว่าทําดีแล้วไม่ได้ดีสักทีก็ไม่เลิกทําไปดีเลิกทําดีไปก็ก็มีเหมือนกันหรือคนที่เคยทําบาปมาแล้วมาเห็นว่าทําบาปนี้ไม่ดีซูไม่เลิกทําดีกว่าเขาก็ฝืนได้แต่เวลาจะทํานี่ต้องฝืนหน่อยคนที่เคยกินเหล้าเป็นนิสัยนี่เวลาจะเลิกกินก็ต้องฝืนถึงจะเลิกได้ถ้าอยู่เฉยๆมันจะไม่เลิก ยิ่งนิสัยไม่ว่าจะไปในทางที่ดีหรือไม่ดีนี้ยังเปลี่ยนได้อยู่นอกจากถ้าเป็นนิสัยของพระอริยะท่านั้นจะไม่เปลี่ยนอย่างพระอริยะนี่ท่านจะถือศีนยิ่งกว่าชีวิตรักษาศีนยิ่งกว่าชีวิตเพราะท่านเห็นด้วยปัญญาว่าการทำบาสนี้เป็นอันตรายต่อจิตใจเป็นโทษกับจิตใจไม่มีประโยชน์เลย อาจจะมีประโยชน์กับร่างกายเช่นเรารักษาร่างกายให้อยู่ได้ด้วยการไปยิงนกตกปลามากินอย่างนี้มีอาชีพทรมาอาชีพค้าค่าสัตว์อย่างนี้ก็ทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้อย่างสุขสบายแต่เราไม่รู้ว่าตายไปเนี่ยเราต้องไปเกิดเป็นปลาเป็นนกให้เขาฆ่าอีกไม่รู้กี่ครั้งด้วยกันแต่พระอริยนี่ท่านจะมีปัญญาเห็นผลของการทาบาป ท่า น, นก็ยอมตายดีกว่าเพราะยังไง ร, ร่างกายนี้มันก็ต้องตายอยู่ดีตายช้าตายเร็วเท่านั้นเองแต่ตายโดยในการทํำบาปมันก็สบายไม่ต้องไปรับโทษไม่ต้องไปเกิดในอบายถ้าภาวนามาหนาแล้วไม่เคยเจ็ไม่เคยเจออะไร่แสดงว่าเราไม่ไมันก็คําว่าไม่เคยเจอไม่เคยเห็นนี่มันต้องเจอสิ เช่นถ้านั่งแล้วไม่สงบยังไม่เห็นความสงบก็ยังไม่ได้ผลยังทํางานไม่สําเร็จถ้าเห็นนรกเห็นสวรรค์ก็ไม่ถือว่าเป็นผลอีกเหมือนกันเป็นผลก็ไม่ใช่เป็นผลที่ดีสําหรับเราบางคนไม่เข้าใจไม่ได้ศึกษาถึงเป้าหมายของการนั่งสมาธิไปได้ยินได้ฟังว่าเห็นนั่งแล้วต้องเห็นนรกเห็นสวรรค์ถึงจะดีต้องระลึกชาติได้ต้องมีตาที่ผูทิี่ เห็นเทวดงเห็นเทวดาอย่างนี้อันนี้ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่วิเศษวิเสอะไรก็เหมือนกับเรามีโทรศัพท์มือถือมีกล้องถ่ายรูปมีกล้องถ่ายวีดีโอมันก็เท่านั้นแ่ะมันก็สามารถถ่ายรูปถ่ายอะไรต่างๆมาให้ดูกันได้แต่สิ่งที่เรารู้เราเห็นหล่อนี้มันไม่เป็นเครื่องมือที่จะมาฆ่ากิเลสตัณหาที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ได้แต่ถ้าเรานั่งแล้วจิตสงบว่าง บาเป็นอุเบกขาอันนี้แหละเราได้เครื่องมือแล้วเครื่องมือที่จะมีที่จะต่อสู้กับกิเลสตัณหาได้ก็คืออุเบกขาคือการวางเฉยเวลาเกิดความโกรธก็วางเฉยได้ถ้าไม่มีอุเบกขาก็วางเฉยไม่ได้เวลาโกรธแล้วก็ต้องไปทําสิ่งที่เราอยากจะทําทันทีเวลาโลภ ก, ก็จะไปทําสิ่งที่เราอยากทําทันทีแต่ถ้าเรามีอุเบกขา แล้วเรามีปัญญาบอกใหอย่าไปทำนะทำแล้วมันกลายเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขเรามีอุเบกขาเราก็หยุดได้แล้วนี่คือการนั่งสมาธิต้องการให้เห็นความสงบเห็นอุเบกขาให้ใจนิ่งเป็นกลางไม่หิวไม่อยากกับอะไรแล้วเวลาเกิดความอยากก็จะได้สู้ความอยากได้เหมือนเหมือนบ้าสมอนะครับเพราะว่ามัน ไม่มีปิติไม่มีสุขามากอย่างที่ไปไี้ยินมาแต่ว่าก็ไม่เป็นปัญหาอะไรบางทีเออบางทีมันสงบเพียงแต่ว่ามันสงบเลึกไม่หรือไม่เลึกเท่านั้นเองถ้าสงบเล็กนี้ร่างกายหายไปเลยถ้าสงบแบบยังรับรู้ร่างกายอยู่ แล้วก็ยังไม่สงบเต็มที่คือบางทีร่างกายเจ็บตรงนั้นขันตรงนี้ก็ยังรู้สึกมีอาการมีอารมณ์กับมันอยู่อันนี้ก็ยังถือว่ายังไม่ไม่สงบไม่มากพอถ้าสงบมากพอนี้ยร่างกายจะเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้จะรู้สึกเฉยเฉยมีอุเบกขาอยูอ่บางทีมันก็เจ็บแต่มันก็เขาเลือกที่จะไม่รับรู้ยากแล้วก็อยู่กับมั น, ก, นก็อยู่กับมันได้ ก็ใช้ได้เพียงแต่ว่าจะต้องนั่งบ่อยๆให้ให้มันมีกำลังมากๆออแล้วแล้วเราถ้าอยากจะก้าวหน้าต่อไปเวลาออกจากสมาธิมาเราก็ต้องใช้อุเบกานี้ต่อสู้กับความอยากไม่ใช่พ อ, อ, อจากสมาธิมาก็เปิดตู้เย็นหาอะไรดื่มเลยหาขนมกินเลยหา เ, เปิดทีวีดูเลยถ้าอย่างนี้ก็มันก็ไม่ก้าวหน้าไม่รู้ว่าเป้าหมายของเรานี้ปฏิบัติเพื่ออะไร เปาหมายเราก็ปฏิบ um, ัติเพื <an <an ่อต่อสู้กับความอยากทุกรูปแบบความอยากที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ต่อสู้ก็มีสามตัวความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสนี่อยากดื่มอยากรับประทานนี้หยุดได้เลยอย่าไปดื่มถ้าจะดื่มจะรับประทานก็ดื่มนับยาดื่มรับประทานแบบยาดื่นด้วยความจําเป็นดื่มดื่มด้วยความจําเป็นไม่ได้ดื่มด้วยความอยากดื่มหรือไม่ได้รับประทานด้วยความอยากรับประทาน ดูก็ไม่ได้อยากก็ไม่ต้องอยากดูฟังก็ไม่ต้องอยากฟังอันนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการก้าวหน้าเพราะหน้าที่ของเราก็คือการกำจัดความอยากต่างๆนี้เองนี่เป็นความอยากตัวหนึ่งกลุ่มหนึ่งความอยากในรูปเสียงกลิ่นดรสความอยากกลุ่มที่สองก็คือความอยากมีอยากเป็นอยากเป็นใหญ่เป็นตัวกันทุกคนใช่ไหมอยากจะเป็นหัวหน้ากันไม่มีใครอยากจะเป็นลูกน้องกัน ทำงานที่ไหนถ้าได้เป็นหัวหน้านี่โอ้ยดีออกดีใจอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากร่ำอยากรวยอยากมีคนนับหน้าถือตายกย่องสรรเสริญอันนี้ก็เป็นความอยากที่เป็นอันตรายต่อจิตใจของเราเพราะเวลามันไม่ได้มันจะเครียดมันจะทุกข์แล้วความอยากที่สามก็คือความอยากไม่มีอยากไม่เป็นคืออะไรบ้างอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอย่างนี้ พอเรามีความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายพอมันจะแก่จะเจ็บจะตายเราจะเครียดมากเราจะทุกข์มากถ้าเราไม่มีความอยากแล้วเราจะเฉยเฉยแก่ก็แก่เจ็บก็เจ็บตายก็ตายมันเราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับมันซะหน่อยเราไปหลงคิดว่ามันเป็นตัวเราของเราเยร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นตุ๊กตาตัวหนึง่งที่เราได้มาจากพ่อจากแม่ เป็นเครื่องมือที่เรามาใช้หาความสุขต่างๆตามความหลงของเราแต่ตอนนี้เราหายหลงแล้วเราไม่ต้องใช้มันแล้วเราก็จะไม่มีความอยากมีกล้องอย่างที่มาทำต่างๆแต่ว่าพยายามหาดูว่ากายยังจิตทํานี่เราไปทางไหนเพรว่าหลาเอาอะไรก็ได้ก็นี่ที่กระบอกคุณเนี่ยทุกอย่างเนี่ยต้องเป็นมองให้เห็นว่าเป็นทุกข์ทั้งหมดเนี่ย กายก็เป็นทุกข์เวทนาก็เป็นทุกข์รูปเสียงกลิ่นรสก็เป็นทุกข์ลาบรสสารเสริญก็เป็นทุกข์อย่าไปอยากได้อย่าไปอยากมีอยากเป็นนี่คือทางปัญญาตอนตอนตอนนี้คุณติดอยู่กับอะไรคุณต้องแก่อันนั้นออกไปก่อนยังติดลาบยสสารเสริออยู่หรือเปล่า ก็ต้องตัดอันนั้นไปก่อนยังไม่ต้องไปยุ่งกับกายเวทนาจิตธรรมอันนี้ของผู้ที่เขาละราบยศสารเสริญได้แล้วนักบวชแล้วคุณต้องออกบวชแล้วถึงค่คอยๆไปสนใจเรื่องกายเวทนาจิตธรรมตอนนี้คนยังติดอยู่กับราบยศสารเสริญติดอยู่กับกรูปเสียงกลิน่นรคุณต้องตัดตัวนี้ไปให้ได้ก่อนต้องถือศีลแปดให้ได้ก่อนถ้าถึงศีลแปดได้แล้วถึงค่อยไปตัดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย ก็คือกายกับเวทนามันเป็นขั้นข enfin ั้นอใช่เหมือนคุณถอดเสื้อผ้าคุณจะถอดข้างในออกมาก่อนได้ไหมถอดกางเกงในก่อนอย่าถออย่างเกงหน้าก่อต้องถอดจากข้างนอกเข้าไปต้องตัดจากของของข้างนอกของง่ายก่อนข้างนอกง่ายกว่าของข้างในตัดลาบยศเสริญ ตัดรูปเสียงกลิ่นรสนี่มันง่ายกว่าตัดร่างกายตัดตัดเวทนามันต้องใช้กําลังมากกว่ากันพูดง่ายๆอย่ันยกของหนักเนี้ยยกของเบากว่ยกของหนักอันไหนยกง่ายกว่าคนี่ยกของเบา ก, าก่อนสิของเบาก็คือราบยศรเสลเสริญรูปเสียงกลิ่นรสถือศีลแปไปตลอดชีวิตได้หรือเปล่าอย่าเฉพาะแต่วันเดียวเลยลองถือศีลแปดไปก่อนก่อนจะบวชนี่ ตัดไปให้หมดเรูปเสียงกินรถไม่ดูไม่ฟังไม่ดูหนังฟังเพลงไม่ไปเที่ยวตามสถานแหล่งบันเทิงต่างๆงานเลี้ยงต่างๆก็ไม่ไปงานแต่งงานก็ไม่ไปงานมันเกิดก็ไม่ไป ต, ตัดพวกนี้ให้ได้ก่อนเราเค่อยไปตัดกายเวทนาจิตธรรมเมันเล็กกว่ามันหนักกว่า ก่อนจะไปทางปัญญาได้ก็ต้องมีสมาธิก่อนถ้าไม่มีสมาธิไม่มีอุเบกขาจะไม่มีกําลังสู้ความอยากได้คนที่อยากจะเลิกเล่านี้ถ้านั่งสมาธิได้เลิกได้อย่างง่ายได้เลยถ้านั่งสมาธิยังไม่ได้เลิกเล่านี้โอ้โหแสนจะลําบากแสนจะทรมานเพราะมันจะหิวอยู่เรื่อยๆแล้วมันไม่มีอุเบกขามาช่วยผ่อนคลายความหิวนั้นแต่เวลาเข้าสมาธิแล้วจิตสงบเป็นอุเบกขาความหิว คิวเล่าก็จะหายไปชั่วคราวพอจากสมาธิมาก็ใช้ปัญญาสอนว่าเล่านี้มันเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณถ้าจะไม่มีคุณเลยมีแต่โทษเงินก็ต้องเสียเวลาก็ต้องเสียสติก็ต้องเสียสุขภาพก็ต้องเสียมีแต่เสียอย่างงี้วุนเรียกว่างโง่หรือฉลาดถ้าฉลาดมีปัญญาก็ต้องไม่เสดมันแต่เรียกว่ามีปัญญาเรียกว่าปัญญาต้องเห็นคุณเห็นโทษ ของสิ่งต่างๆเพื่อเราจะได้ตัดสิ่งที่เป็นโทษแล้วทำแต่สิ่งที่เป็นคุณนี่เรียกว่าปัญญาต้องสอนใจให้เห็นว่าแลไรเป็นคุณเป็นโทษพอเห็นแล้วก็ต้องมีสมาธิมีอุเบกขาเป็นเป็นตัวช่วยต้านความอยากถ้าไม่มีเห็นคุณเห็นโทษก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีเห็นว่ามันไม่ดีก็ยังเดิมต่อไปอยู่ดี พอไม่มีกําลังสู้เหมือนสู้ความอยากไม่ไหวเพราะเวลามันอยากมันหิวมันทรมานใจนั่นเองแต่เวลามีสมาธินี่มันเหมือนกับมีอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจมันจะไม่ทรมานมันพอจะอยู่ได้ไม่ดือดก็ได้อันนี้แหละสมาธิจึงสําคัญมากสมาธิจึงต้องมาก่อนปัญญาเสมอศีล ส, สมาธิปัญญาเนี่ยเป็นบันไดเป็นขั้น พระพุทธเจ้าทรงตัดว่ า, อ, า, อ, าอะไรนะสมาธิที่ศีลอบรมดีแล้วนี่เป็นมีอนิสงส์มากมีประโยชน์มากปัญญาที่มีสมาธิอบรมแล้วมีคุณมีประโยชน์มากปัญญาทีา่จิตที่มีปัญญาอบรมแล้วจะหลุดพ้นจากความทุกข์โดยถ่ายเดียวเนี่ยมันเป็นเครื่องมือสนับสนุนกันศีลจะสนับสนุนให้เกิดมีสมาธิขึ้นมาสมาธิก็จะสนับสนุนให้ปัญญา ทำงานได้ฆ่ากิเลสได้เมื่อมีปัญญาฆ่ากิเลสก็จะมีวิมุตติการหลุดพ้นการบรรลุธรรมขึ้นมามัน เ, เป็นขั้นๆกันการที่จะมีศีลได้ก็ต้องมีทานคนที่ยังใจใจไม่เป็นใจบุญสุนทานก็จะรักษาศีลไม่ได้เพราะยังมีความโลภมีความอยากได้อยู่แต่คนที่ทำบุญแล้วทำทานแล้วจะไม่ค่อยอยากได้อะไร ถ้าอยากได้ก็จะอยู่ในกรอบของศีลระทำจะไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเพราะว่าชอบทำบุญชอบช่วยเหลือคนอื่นเมื่อเป็นคนใจบุญแล้วก็จะรักษาศีลได้รักษาศีลได้ก็จะทำให้นั่งสมาธิได้เช่นรักษาศีลแปดได้ก็จะนั่งสมาธิได้นั่งสมาธิได้ก็จะใช้ปัญญาต่อสู้กับปัญหาความอยากได้ อย่างอย่างที่พระาอททาจารย์อธิบายครั้งที่แล้วครับว่าการอการการช่วยเหลือผู้ ผ, ผู้อื่นอ่าหรือการให้ทานเนี่ยผลเนี่ยมันไม่ได้เกิดที่มันอผลมันมันไม่ได้สิ่งที่เกิดกับผู้อื่นเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเราเพราะเราไม่ได้สนใจในสิ่งนั้น <c ười> ทําแล้วทำไปแต่ว่าผลที่เกิดกับตัวเราเนี่ยคือจิตเราเกิดความอินเอิรเกิดความสบายใจเกิดเกิดปัญญาเกิดสมาธิขึ้นมาอืม ตรงตามที่พระอาจารย์พูดครับเพราะว่าเราไม่ได้สนใจในส่นนั้นอาการทําทานนี้เป็นการเป็นการทําประโยชน์ให้กับตัวเราโดยอาศัยความทุกข์กได้ยากเดือดร้อนของผู้อื่นเป็นเป็นเป็นอุบายหรือเป็นเหตุอถ้ามีทุกคนมีความสุขความสบายก็ไม่รู้จะไปช่วยเหลือใครก็จะไม่ได้ทําทานกันอย่างพวกที่คนที่ไปเกิดบนสวรรค์เป็นเทพนี่จะไม่ค่อยมีโอกาสได้ทําบุญกัน ก็ไปอยู่กับพวกเศรษฐีด้วยกันทุกคนก็รวยทุกคนมีความสุขกันพวกเทพจึงไม่ค่อยได้ทําบุญต้องมาเกิดเป็นในโลกมนุษย์ที่มีคนตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนอเราจะได้ทําบุญกันพ่อเป็นคนเด็กอยากทำงานอาชีพ <networks> ท <bouncing> ี่ทำนี่คืออย่างเราทําไอาชีที่เกี่ยวกับบริหารเงินให้คนแบบให้นักเงิ ทีนี่มันพยาามรู้ว่าสิ่งที่เราทํานี่มันเป็นการแบบไปเสริมเล็กให้กับเขาหรือเ่าแต่ว่าในหน้าที่บทบาทที่เราทําเราก็พยายามทําด้วยคือทําตั้งใจความระมัระวังว่าใช้ความรู้ความสามารถอย่างดีที่สุดให้เป็นไปตามนั้นแต่ว่าในส่วนของการที่เราไปทําให้ทรัพย์สินเขาเห้องเงินนยมันเป็นการไปเสริมพลังของเขาหรือเปาแล้วเปนการะไรหรือเล่าเออ การทำมาหาหกินก็ทุกคนก็นต้องการให้มีรายได้<ม>นั้นเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ที่จะต้องหากินหาเงินหาทองต้องมีรายได้อันนี้จะเสริมไม่เสริมเขาก็มีของเขาอยู่แล้ว<ม>อันนี้เป็นเรื่องปกติของมนุษย์ถ้าเราจะคิดอย่างนี้เราก็ต้องไปเป็นนักบวชถ้าเป็นนักบวชแล้วจะไปเสริมให้เขาตัดกิเลสเช่ชนไปไปบินตบาทเขาก็ต้องเสียเงินเสียทองแทนที่จะได้เงินได้ทองจากเรา ถ้าอยากจะไม่เสริมกิเลสของเขาหนูก็ต้องมาบวชเท่านั้นไปบวชชีแล้วก็คนก็ให้หนูบวชแล้วเขาสงสารหนูเขาก็เอาเกันาทองมาให้เงินทองที่เขามีอยู่ก็จะน้อยลงไปเขาก็จะลดกิเลสตัณหาของเขาลงไปแต่ถ้ายังอยู่ในโลกของของคนที่มีกิเลสอยู่มันก็เป็นเรื่องปกติของเขาบาบใดที่มันไม่ผิดศีลผิดธรรมมันไม่ไปทำให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนก็แล้วกัน เช่นการเล่นการพรนันนี้มันไม่ดีเพราะอะไรเพราะว่าคนเสียจะเดือดร้อนคนได้ก็จะสบายอันนี้ไม่ดีแต่ถ้าเป็นการซื้อขายทำมาหากินซื้อขายนี่เป็นเป็นทุกคนได้หมดนะคนขายคนขายก็ได้คนซื้อก็ได้ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายอันนี้ก็ไม่เป็นการเสียหายเลยงั้นขอให้ ท, าทําอาชีพที่ไม่ไปทําความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นก็แล้วกัน แน่นอนที่ที่เราควรจะหลีกเลี่ยงก็คือทํามาค้าขายของที่เป็นอาวุธอย่างนี้เพราะอาวุธนี้สามารถเอาไปทําำลายชีวิตของผู้อื่นได้อหรือว่าสิ่งเสพติดทั้งหลายหรือเครื่องบุญเมาทั้งหลายอย่างนี้จะทําให้ผู้ที่ไปเสพแล้วขาดสติไปอาราวาสสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นได้อาชีพเหล่านี้เราก็ควรจะหลีกเลี่ยงไม่ควรจะทำํำ แต่ถ้าเป็นอาชีพที่ที่ทําให้คนอยู่ร่มเย็นเป็นสุขมีปัจจัยสี่อย่างนี้ก็ใช้ได้อตัดผ้าเย็บผ้าเอทํากับข้าวกับปลาอาหารเปิดร้านขายอาหารตามใดที่อาหารที่เราขายเนื้อสัตว์ที่เราขายนี่เป็นเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วเราไม่ได้ฆ่าเองไม่ได้สั่งเขาฆ่ า, าก็ไม่เป็นปัญหาเลยคือเรื่องอาชีพครับเคยหลวงพ่อโบเกต์ต้อเคยบอกไว้ว่า อาอชีพเงินกู้เนี่ยถ้าเกิดว่าปล่อยเงินกู้กครับถ้าเราปล่อยในดอกเบี้ยที่หนึ่งเปอร์เนเปอร์เซสมเปอร์เซ็หรือไม่เกินห้าเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยครับที่แบบเขายอมรับกันได้เนี่ยถือว่าไม่ใช่ไม่ใช่อาชีพที่บาปอะไรแต่ถ้าเกิดว่าไปเอาดอกเบี้ยสิบห้ายี่สิบเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยครับถึงแม้ว่าฝั่งที่มาเอาเงินไปเนี่ยเขาจะยอมรับในช่วงแรกแต่ก็ถือว่าเป็นการเ่าเปรียบก็แสดงว่าบาปใช่ไหมครับอาจารย์รั บ, ร อ, บองได้สองสองมุม เงินก็เป็นเหมือนกับที่ดินอย่างเนี้ที่ดินนี้คุณอยู่เฉยๆมีคนจะมาขอซื้อคุณก็ตั้งราคาตามที่คุณอยากจะขายใช่ไหมนี่เขาอยากจะซื้อก็ซื้ อ, อ, อไปเงินก็เหมือนกันเขาจะมาขอซื้อเงินคุณคุณก็ตั้งราคาขายได้เนี่ยคุณจะขายร้อยละส 10, ิบร้อยละยี่สบร้อยละห้าสิบ้าเขาอยากจะซื้อก็เรื่องของเขาเดงมแต่ว่าใช่มันจะว่าเป็นการขายความเมตตาก็ได้จะว่าเป็นความง ก, ก็ได้แต่มันไม่เป็นบาปอ่ะ มันไม่ได้ไปฆ่าเขาไม่ได้ไปทําร้ายเขาไม่ได้ไปผิดศีลห้าแต่อย่างใดเพียงแต่ว่ามันไม่เป็นบุญถ้าอยากจะเป็นบุญก็ให้เขายืมฟรีๆไม่ต้องมีดอก อ, อย่างนั้นใช่ไหมอันนี้ก็อยู่ที่ใจของเราว่ามีโลภมากโลภน้อยมีอยากมากอยากน้อยถ้ามีอยากมากบางทีให้ฟรีๆไม่เอาคืนด้วยซ้าไปสงสารเป็นทานไปเลยเห็นว่าเขาเดือดร้อน อันนี้ก็อยู่ที่ใจของคนว่ามีกิเลสตัณหามากน้อยเป็นไรแน่ใจ <c oughs> ค่จคะแล้อย่างคนที่รวยเพราะว่า อ, อ, อาชีพคือพาพูกน้ำมเมานี่นะคะแล้วก็ลูกหลานเขาเรี่ยกถือว่ามีพุ้นส่วนอย่างนี้ น, นั้นด้วยเงียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นตัา น, ะะนจะมีส่วนในบาปด้วย ถ้าไม่ได้ทาเองเป็นของที่ได้มาโดยที่เขาให้มานี่ก็ไม่เราก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเหมือนเงินที่ญาติโยมมาถวายเรานี้ไม่รู้จมายอย่างไงกันขะกาเยเสติดหรือเปล่าเราไม่รู้ใช่เมื่อให้เราเราก็รับไปถ้ามันจะมีอ น, นิสงส์มีผลก็คือบางทีเจ้าเนี่ยที่ตำรวจจับได้ก็ไล่มาจับมาขอคืนก็เลยจะมาขอยืดเงินที่ก็มาทําบุญคืนไปก็ต้องให้คืนไปเท่านั้นเอง มันก็จะมีผลส่วนนั้นเช่นลูกหลานถ้าเกิดมันมีมันมีผลก็จะมีผลอย่างนั้นมันก็มีผลผลพลอยได้ผลข้างเคียงอะไรอย่างงี้อย่างพวกมาเฟียใช่ไหมคะมทีนี้ก็ได้มาเงินร้อนแล้วก็แบบว่าพวกครอบครัวลูกหลานออย่างนี้นก็จะแบบว่าก็าจะมีอันเป็นอะไรเกี่ยว ม, มันก็อาจจะถูกเขาเวลาฆ่าที่เขาฆ่าทต้องครอบครัวไง <c oughs> ก็มีส่วนเกี่ยว เวลาเกิดเขาจะกำจัดทีเขาเอาเอาทัา้งพวงเลยเนีเพราะเรามีเราเป็นส่วนเกี่ยวข้องกับครอบครัวนั้นก <f> ็ถือว่าเป็นผลที่ไ ป, ไปเกิดอยู่ในครอบครัวนั้นได้ทั้งได้ทั้งประโยชน์ได้ได้ทั้งโทษเนี่ยวันนี้เฟซบุ๊กยังไม่เปิดเลยเลย เอาดนกะ็อรออยู่ เ, ยเดียวเดียวเอาสัก2สองข้อแล้วครับจาห้านาทีสิบนาทีไม่เป็นไรเอาันเสร็จไปเลยเขา ร, รอกันอยู่อ่ต่อครับครับคำถามจากคุณลูฟี่นะครับถ้าไม่ชอบใครบางคนแล้วเราควรคิดอย่างไรถึงจะทำให้ใจเราไม่รู้สึกแย่เมื่อเจอหน้าเขา ก็หันชอบเขาสิหันชอบเขาเขาก็ดูส่วนที่ดีของเขาก็ได้คนเรานี้มีทั้งสองส่วนส่วนที่ดีก็มีส่วนที่ไม่ดีก็มีถ้าเราคิดแต่ส่วนมองส่วนที่ดีของเขาเราก็จะชอบเขาได้หรือถ้าว่าเราไม่สามารถที่หาส่วนที่ดีได้เราก็อย่าไปมองเขาก็แล้วกันเวลาเห็นหน้าเขาก็พยายามหลีกไปก่อน หรือบริกรรมพุทโธพุทโ ธ, ทโธไปภายในใจอย่าไปให้ใจคิดไปในทางอคติอย่างนี้ก็จะทำให้เราเป็นอุเบกขาได้วางเฉยได้คำถามข้อต่อไปจากคุณอาทิตย์นะครับเวลาผมนั่งสมาธิแล้วกำหนดลมหายใจอาการง่วงนอนจะเข้ามาเลย ระยะเวลานั่งไปประมาณห้านาทีได้ครับถึงแม้ว่าก่อนนั่งจะไม่มีอาการง่วงนอนเลยก็ตามเหมือนกับว่าการนั่งสมาธิของผมเป็นการเร่งให้หลับเร็วขึ้นเลยครับแลวจะมีวิธีอย่างไรวิธีแก้อย่างไรก็ควรจะรับประทานอาหารพอประมาณคืออย่างที่พูดเนี่ยถ้าอยากจะภาวนาให้ได้ผลก็ต้องถือศีลแปดคือต้องไม่รับประทานอาหารหลังจากเทีวันไปแล้ว หรือว่าถ้าละถ้าถือสินแปดแล้วยังง่วงอยู่ก็ต้องกินมื้อเดียวแล้วกินให้มันน้อยลงไปถ้ากินสองจานก็เอาแค่จานเดียวก็จานเดียวยังง่วงอยู่ก็เอาครึ่งจานนี่ต้องลดปริมาณอาหารลงไปแล้วมันก็จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องของความง่วงได้อีกวิธีหนึ่งก็คือไปอยู่ที่มันน่ากลัวไปอยู่ที่สถานที่น่ากลัวไปนั่งอยู่ในป่าช้าไปอยู่ตามเมนอย่างนี้ อันนี้ก็จะช่วยทําให้ไม่ง่วงนอนได้ครับจากคุณแม้นสีนะครับจิตที่ได้หลักได้เกณฑ์แล้วหมายความว่าอย่างไรก็สามารถควบคุมให้อยู่ในความสงบได้ต้องการจะให้อยู่ในเข้าสมาธิเมื่อไหร่ก็เข้าได้อันนี้เรียกว่าจิตมีหลักมีเกณฑ์แล้วแต่ยังยังมีงานต้องทําต่อไปอีกก็คือยังต้องเจริญปัญญา เพื่อให้จิตหลุดท้นเป็นอิสร ะ, ะการมีหลักมีเกณฑ์นี้แสดงว่าเราควบคุมจิตให้อยู่ในความสงบได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่สามารถควบคุมได้ตลอดเวลาครับอีกข้อหนึ่งของคุณแม้สีเหมือนกันนะครับแต่มีบางคำผมอ่านไม่ออกครับที่หลวงตาเทศว่ากิเลสปงไก่ครับหากิเลสปะปะน ง, ง งงครับงงกีเลยเนี่ยบองงอสาระไอกไก่อ่ะอ่ะไปเรื่อยๆเลยครับอันว่าอันเป็นว่าผมพ้าดไปหน่อยนะครับตกลงในจิตของพระอรหรันย่อมตั้งอยู่ไม่ได้นานย่อมกิ้งตกไปก็คือท่านคิดเรื่องโลคเรื่องโกรธเรื่องหลงเรื่องรักเรื่องชังคิดไปไปผ่านไปธรรมดาธรรมดา ทั้งๆ ท, ที่ท่านไม่ได้โลภไม่ได้โกรธไม่ได้หลงท่านบริสุทธิ์แล้วความคิดประเภทนั้นเป็นกระแสของกิเลสมาดั้งเดิมนั่นและท่านเรียกว่ามันตั้งในจิตพระอรหันต์และท่านพูดอธิบายอีกว่าอารมณ์ของขันที่เป็นสายของอดีตแห่งกิเลสทั้งหลายแห่งกิเลสทั้งหลายเคยรักเคยเกลียด เคยโกรธเช่นไปรักคนนั้นไปชังคนนี้จิตใจมันผ่านไปอย่างนี้เหมือนกับว่าเรื่องของกิเลสเหล่านี้เกิดขึ้นในขันท่านแล้วไปตกในจิตของพระอรหันต์ยิ่งตกไปทาถามขันของพระอรหันต์ยังทำงานเหมือนปัตุชนปุตุชนใช่หรือไม่กิเลสยังคงอยู่ในขันท่านเหมือนเดิม ใช่หรือไม่อ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจคือขันของพระอรหันต์ของพระพุทธเจ้ากับของปุถุชนนี่เป็นขันเหมือนกันคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เป็นเหมือนรถยนต์แต่คนขับนี่ไม่เหมือนกันคือคนขับเช่นถ้าถ้าเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์นี่ก็เป็นคนขับที่ไม่ได้ดื่มสุรายามเมา ขับรถคันนี้ก็ปลอดภัยไม่ไปชนกับคันนั้นคันนี้ไม่ไปเกิดอุบัติเหตุส่วนขันของของคนที่เป็นปุตุชนนี่ก็เป็นเหมือนคนเมาที่ขับรถดีๆนี่เองพอขับรถแล้วรถคันนี้ก็มักจะไปมีอุบัติเหตุไปชนกับคันนั้นคันนี้ไปพลิกคว่มปัญหาไม่ได้อยู่ที่รถก็ใชอยู่ที่คนขับถ้าเรา ปฏิบัติจนไม่มีกิเลสตัณหาอยู่ภายในใจแล้วขันของเราก็จะเป็นเครื่องมือของธรรมไปทำแต่คนทำแต่ประโยชน์จะไม่ได้ทำด้วยความโลภความโกรธความหลงแต่ถ้าเรายังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่เราก็จะใช้ขันนี้เป็นเครื่องมือประกอบทำตามกิเลตของเราเวลาเราโลภอยากได้อะไรเราก็จะใช้ขันนี้ไปหามา หามาโดยวิธีสุจริตไม่ได้เราก็หามาโดยวิธีทุจริตอันนี้เป็นเรื่องของของกิเลสที่ยังใช้ใช้ใช้ขันห้าเป็นเครื่องมืออยู่แต่พอฆ่ากิเลสหมดไปจากใจแล้วก็จะเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเครื่องมือของธรรมล้วนๆเช่นพระอาหารหันต์พระพุทธเจ้านี้ใช้ร่างกายใช้ขันนี้มาทำประโยชน์ให้กับโลก อบรมสั่งสอนเทสนาว่ากล่าวจตุปัจจัยที่ได้มาก็นําไปทําประโยชน์ต่อเอาไปทําทานสงเคราะห์โลกต่ออย่างที่หลวงตาได้ทํามาอันนี้ก็ใช้ขันเหมือนกันใช้ขันอันเดิมขันตอนที่ท่านตอนที่ท่านบรรลกุกับตอนที่ท่านไม่บรรลุเป็นขันอันเดียวกันแต่ผู้ที่ใช้ขันนี้เป็นคนละคนไปละคนหนึ่งเมาอีกคนหนึ่งหายเมา คนเม า, าขับรถคันเดียวกันก็เซไปเซมาอีคนที่หายมาแล้วก็ขับรถก็ไม่เซไปเซมาวิ่งวิ่งอยู่ในถนนได้ก็มีเท่านั้นขันก็ยังเป็นขันเหมือนเดิมอยู่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงยังเกิดแก่เจ็บตายเหมือนเดิมอยู่ยังไม่เที่ยงอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้เป็นเครื่องมือของกิเลสตันหาแล้วเป็นเครื่องมือของธรรม เพราะใจของคนขับนี้มีแต่ทําไม่มีกิเลนนั่นเองงันภาคอรหันกับปุตุชนนี่ต่างกันตรงเนี้ยตรงตรงที่ว่ามีกิเลนหรือไม่มีกิเลนภาคอรหันนี่ไม่มีกิเลนแต่ปุตตชนนี่ยังมีกิเลสอยู่ท่านอาจารย์คะแวเวลาผัสสะกระทบของที่ตัานจากยพูดที่ไหนว่าเอ่อยังมีการกระทบเหมือนกับปุุชนแล้วก็ยังมีหนาวรูนร้อนมีความรู้สึก ก็ถือว่ารู้อารมณ์เห็นอารมณ์แต่ไม่หลงใช่ไม่มีแปฏตกิริยาไงใจวางเฉยเป็นอุเบกขาไม่ยินดียินร้ายได้เงินมาก็ไม่ดีใจเงินหายไปก็ไม่เสียใจรับรู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้นี่แสดงว่าไม่มีกิเลสถ้ามีกิเลสพอได้เงินมาดีอกดีใจใหญ่พอเงินหายไปนี่โอ้เสียอกเสียใจ ยังลงตาครับบางครั้งจะเห็นท่านเหมือนคล้ายโกรธพูดออกมาอยเหมือนโกรธแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นคําพูดที่ออกมาจากความว่างใช่ไหมครับพูดแล้วจบกันจบแล้วจบกันคือเป็นกิริยาไงไม่มีอารมณ์กบางครัง้งบางคราวนี่ต้องดูด่าว่ากล่าวตักเตือนคนมันก็ต้องใช้ร่างกายอนี้ใช้คําพูดแบบเดียวกับคนที่มีความโกรธเนี่ยแต่ท่านไม่โกรธแต่ท่านใช้ความโกรธกิริยาของความโกรธนี่มาข่มมามาสอนคน ถ้าไปพูดหวันหวาเนอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเธอทำต่อไปเถอมันก็ไม่กลัวเลยแต่ถ้าด่ามันจะคำสองคานี่มันขดเลยถอยเลยอาจารย์นะแต่ใจไม่ได้ไปโกรธแค้นโกรธเคืองอะไรแต่ต้องตามต้องกําหลาบการกระทําของลูกศิษย์ลูกหาอย่างพ่อแม่ว่าลูกนี้ไม่ได้ไปโกรธลูกแล้วแต่ส่วนใหญ่ก็โกรธด้วยเพราะมีอารมณ์ แต่ก็ไม่ได้โกรธจริงเท่านั้นเองแต่มีมีอารมณ์แต่พระอนันต์นี้ไม่มีอารมณ์ไม่โกรธจริงไม่มีอารมณ์แต่มีกิริยาของความโกรธอยู่เป็นกิริยาเท่านั้นเองการกระทําของพระอนันต์ทุกอย่างนี้เป็นกิริยาหมดท่านจะแสดงความดีอกดีใจชื่นชมยินดีก็เป็นกิริยาให้ญาติโยมดีอกดีใจ เวลาถวายของท่านนะ่าโอ้ดีเหลือเกินอย่างงุ่นอย่างนี้ญาติโยมก็โหเปิ่มปิติกันหลวงตาจะชอบพูดพอใจอพอใจอะไรนั่เองแต่ใจท่านเท่าเดิมเพราะท่านไม่ได้ไม่เสียกับสิ่งต่าง ๆ, ๆหรือว่าถ้าเป็นน้นนําน้าในแก้วของท่านก็เต็มอยู่แล้วใครจะเติมอะไรเข้าไปมันก็ไม่ได้มากไปกว่าเท่าที่มีอยู่หมดแล้วหรือคำถามหมดแล้วครับวันนี้หมดแล้วหมดแน่นะ เดี๋ยวเขารอฟังกันว่ า, า, <ๆ>าวม า, มาบางทีก็ไม่ผ่านก็มีตอนตอนตอนเข้าบางทีบางทีมะบางทีมันก็เข้าเป็นขั้นขั้นบางทีก็พุวดเดียวเลยไม่เหมือนไม่แน่าบางทีก็เข้าไปทีละขั้นเข้าไปทีเล็กเทียน้อยบางทีก็พุทเข้าไปเลย ว่า ม, มาทีว่ามเบื่อายเงียบเออไม่เป็นไรยังไงก็ได้แบบไหนก็ได้ขอให้มันเข้าไปถึงขั้นที่มันสงบมันนน่งมันสบายก็แล้วกันออฝนตกนิดหน่อยไม่เป็นไรเราเห็นไหมพอท่าท่าน้ำแปลปวนหนายก็วุ่นวายกันขึ้นมาอยู่กับโลกกับท่าแท้แท้แหมเวลาน้ําเปียกทั้งตัวมันวุ่นวายเลย นี่โดนสองสามหยดนี่ซ่านกันแล้วเ <c> ว <oughs> ลาเราเข้าแล้วนนก็ให้มันนิ่งให้นานที่สุดอย่าไปลากมันออกมาถ้ามันถ้าปล่อยให้มันออกมาเองนน เ, นนเออแต่มันอยากจะอยู่ไปนานก่นนกอนนานกว่านั้นก็ปล่อยมันอยู่ไปยิ่งนานเท่าไหร่ ย, ยิ่งดีแต่อย่านานแบบหลับก็แล้วกันนะเอเอเอื อย่างที่คุณนี้ก็ถามครับอาจารย์ที่บอกว่าปิติเนี่ยอย่างของผมนะครับคือว่าช่วงนั้นน่ะที่นั่งก็เห็นแสงอย่างไรเนี่ยพอเห็นแล้วอยากเห็นพอยิ่งอยากเห็นกิเลสมายิ่งอยากยิ่งเหนื่อยนั่นแหละเป็นกิเลสแล้วแต่พอมาตอนนี่ไม่ยากนิ่งเห็นเดียวไม่อะไรทั้งสิ้นแม้แต่แสงก็ไม่เห็นกลายเป็นว่ากับเบาสบายกว่านั่นแหละนั่นแหละคือการทําสมาธิเพื่อให้มันเบาให้มันสบายไม่ได้ให้ไปเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้พ่าเห็นแล้วมันจะเกิดกิเลส เห็นส the ิ all, right? all, so ่งท so, ี่สวยที่ชอบก็อยากให้มันเป็นไปนานๆเห็นสิ่งที่ไม่ชอบก็อยากจะให้มันหายไปบางทีตกใจถอนออกมาเลยใช่ัส่วนใหญ่คนที่เห็แรกๆครั้งแรกจะตกใจครั้งแรกจะตกใจงั้นอย่าไปเห็นถ้าเห็นก็ทาใจเป็นอุเบกขาอย่าไปสนใจคิดว่าเราดูหนังก็แล้วกันถ้าเราไม่ชอบหนังช่องนี้เราก็เปลี่ยนช่องแล้วก็พุดเปลี่ยนเข้ามาช่องพุทโทพุทโทไปเดี๋ยวช่องนั้นมันก็หายไปเอง เราเปลี่ยนช่องได้การได้ยิ น, นเรื่องการ ต, ตามดูจิตทําอะไรเราก็ดูว่าเรคิดอะไรอหรางอะไรนะคะค่อยไปเรื่อยๆดูไปเรื่ยๆกับการที่เราพุทโธพุทโธทำแล้วพุทโธตลอดเลยถ้าในเบื้องตอนนี้พุโทโธจะดีกว่าเพราะการตามดูจิตนี้จะไม่ทําให้ใจเราสงบให้ใจอใดอ น, นิ่งได้มันก็จะมีเรื่องให้เราตามไปเรื่ <c oughs> อยๆเหมื <c oughs> อนอ่าได้ได้อะไรล่ะจากการดูแล <c oughs> <c oughs> เนอะ แล้วเราหยุดความโลภความโกรธได้แล้วเปล่าอันนั้นะ่ะเคยเป้าหมายของเราการดูจิตการบริกรรมพุทโธก็เพื่อหยุดความโลภความโกรธถ้าดูแล้วเวลาโกรธแล้วก็หยุดไปไม่ได้ก็อย่าไปดูว่ามันเสียเวลาเวลาโลภแล้วก็หยุดมันไม่ได้ก็ดูไปทำไมใช่ไหอดูเพื่อจะได้หยุดมนันไงใช่เวลายกอยากจะไปกินขนมอย่างเงี้ยยังไม่ถึงเวลากินก็อยากกินอย่างเงี้ย บางทีคนเราทำโดยไม่รู้สึกตัวคือก่อนจะทำความจริงเราต้องคิดก่อนนะถึงจะทำได้ถ้าเราพ่อดูความคิดพอเรารู้ว่ามันจะคิดไปในทำทำในสิ่งที่ไม่ดีเราก็หยุดมันหยุดความคิดเสียพอหยุดความคิดเสียเราก็ไม่ต้องไปทำตามที่เราคิดแต่ถ้าเราหยุดไม่ได้ดูไปก็เหนื่อยไป ก, ก็ก็ป่วยกันซวยหยุดมันดีกว่าใช้พุโทโธหยุดมันไปก่อนดีกว่า พูดโทรพูดโทรไปพอมันอยู่กับพูดโธรมันก็จะไปอยากก็รเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ไปโกรธเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้คือพูดพูดโทรไปแล้วมันก็สร้างมันก็คิดอะไรอย่างเงี้ยก็เราต้องพูดโธต่อไปแล้วก็อย่าไปสนใจมันมันจะแทรกเราก็อย่าไปสนใจแล้วก็พูดโทรของเราไปเรื่อยๆเดี๋ยวต่อไปมันก็จะมันก็จะหายไปกลัวที่กลัวสิพอมันมันมันมาแทรกเราก็ตามมันไปเลยออา ไม่อยู่กับพุโทโธต่อไปเราต้องเกาะติดอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวแล้วต่อไปอารมณ์ต่างๆความคิดต่างๆมันจะเบาบางหายไปเองเมื่อกําลังของพุโทโธมีมากขึ้นมากขึ้นไอ้กำลังอย่างอื่นมันก็จะอ่อนลงไปเองแต่ตอนต้นนี่กําลังของพุโทโธมันมันมันมันน้อยกว่ากําลังของความคิดอื่นๆพอเราพุโทโธได้สองสามคำมันก็เข้ามาแล้วพอมันเข้ามาเราก็ลืมพุโทโธไปเลยทิ้งไปเล ย, ไ, เลยไม่คิดตามมันเลย อา้ก็ต้องพยายามกลับมาหาพุทโธอยู่เรื่อยๆโดยการมันจะพุทโธได้อย่างต่อเนื่องถ้ามันตอนแรกๆเนี่ยเราวันละสามทุ่มก่อนอะไรนี้ดูไม่มาถก็ทําไปทั้งวันเไงคือทำควควบควบกับภารกิจต่างๆที่เราทําอยู่เราอาบน้ํำเราก็พุทโธไปล้างหน้าก็พุทโธไปแปรงฟันก็พุทโธไปอไม่ต้องไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าจะหยุดพุทโธก็เฉพาะเวลาที่เราต้องใช้ความคิดกับเรื่องงานการที่เราทํา เช่นต้องคิดบัญชีอย่างนี้ยเราก็ต้องหยุดพุดโทโธแล้วก็มาคิดบัญชีพอคิดเสร็จแล้วเราไม่ต้องคิดอีกแล้วแล้วก็กลับมาพุโทโธต่ออย่าไปให้มันคิดถึงขน ม, มอย่าให้คิดถึงเครื่องดื่มอย่าให้คิดถึงหนังถึงละครถึงอะไรต่างๆอย่าให้มันไปคิดถึงเรื่องราวที่จะทําให้เกิดตัญหาขึ้นมาเกิดความอยากขึ้นมาให้เราพุโทโธไปได้ทั้งวันตลอดเวลา ยกเป็นเวลาที่เราต้องใช้ความคิดกับงานการต้องทำทั้งวันเพราะว่าไม่งั้นพอเราหยุดพุดทธวปัสสมันก็จะคิดไปในทางความอยากทันทีคื อ, อคือในสมัยนี้เขาปรัชญาหลายๆที่นะครับมันนิยมสอนให้ไปดูสติเลยเออไปดูร่างกายเลยแรกๆเนี่ยแต่ก่อนก็เคยรู้สึกว่าอุ้ยมันง่ายแฮ่ตามดูอย่างเดียวตามดูอย่างเดียวแต่พอไปสักพักเนี่ยจะรู้เลยว่า มันไปไหนไม่ได้เลยถ้าไม่มีกําลังสมาธิมันจะอยู่ตรงนั้นมันจะต่อยอดไปไหนต่อไม่ได้เลยครับอาจารย์คือมันจะไม่สงบเนยถ้าจิตไม่มีสงบแล้วมันจะไม่มีกําลังที่จะต่อสู้กับความอยากต่อสู้กับกิเลสตัณหา <c oughs> ถ้ามีความสงบแล้วมันมีกําลังมันมีความอิ่มใจความอิ่มใจเนี้ยสําคัญที่จะต่อสู้กับความอยาก ดังอย่าเพิ่งไปกังวลอย่าไปสนใจกับเรื่องการดูจิตดูร่างกายอันนั้นเป็นเรื่องของปัญญาดัน้นตอนนี้หยุดใจหยุดความคิดให้ได้ทําใจให้อิ่มก่อนให้ใจมีกําลังก่อนแล้วค่อยใช้ปัญญาสอนใจให้เลิกความอยากต่างๆต่อไปที่พิจารณาร่างกายก็เพื่อให้เราเลิกความอยากในร่างกายไม่ให้มันแก่แม่มันเจ็บแม่มันตายนี้เอง ถ้าเราดูร่างกายบวชแล้วก็จะรู้ว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้พอเห็นความจริงอันนี้เราก็จะได้ไม่ฝืนความจริงเราก็จะหยุดความอยากได้แต่ถ้าเราไม่มีสมาธิก็จะหยุดไม่ได้รู้ว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็ยังอยากไม่มันแก่ไม่เจ็บไม่ตายอยู่นั่นแล้วมันจะไม่เห็นความทุกข์ไม่เห็นว่าความอยากนี้ทาให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา แต่ถ้าใจสงบแล้วนี้เวลาเก marriage, inside, nurture, aning, choices, path, ิดความทุกข์ใจนี้มันจะเห็นชัดเลยเพราะใจจากเย็นอย่าร้อนขึ้นมาทันทีเวลามีความสงบมีอุเบกขานี้มันจะเย็นพอมีความอยากขึ้นมาปั๊บมันจะร้อนขึ้นมาทันทีเวลาโกรยขึ้นมานี้มันจะร้อนขึ้นมาทันทีมันจะเห็นชัดเลยแต่ถ้าใจมันไม่เย็นอยู่แล้วมันร้อนขึ้นมามันก็ไม่รู้สึกแตกต่างอะไรกันใช่ไหม ร้อนร้อนจากเก้าสิบองศามาเป็นร้อยองศามันก็ไม่ค่อยแตกต่างกันไม่เหมือนร้อนร้อนจากศูนองศาขึ้นมาสิบองศาแค่นี้มันก็เห็นความแตกต่างกันแล้วงั้นเราต้องทําใจเราให้เย็นก่อนทําใจให้อยู่ที่ศูนย์องศาก่อนพออยู่ที่ศูนย์องศาแล้วเวลาเกิดกิเลสเกิดความโลภขึ้นมาเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นสิบเป็นยี่สิบเราก็จะรู้ทันทีว่าโอ้ยนี่ทุกข์เรานี่ยวะทุกข์เพราะอะไรอ๋อเพราะเราไปอยากมันเองพอเราหยุดอยากปั๊บมันก็กลับมาที่ศูนย์ใหม่ คุณภูนก็ใจก็กลับมาเย็นใหม่อันนี้สมาธิสำคัญมากเพราะสมาธิจะทําให้เราเข้าถึงจุดที่สงบจุดที่เย็นสบายของใจนี่พอเราอยู่ถึงจุดนี้แนละ้วพอมันออกจากจุดนี้เราจะรู้ทันทีว่าเป็นปัญหาแนละ้วต้องดึงกลับมาให้ได้ก็รู้ไว้ตัวที่ดึงออกไปก็คือความอยากนี่เราก็จะตัดความอยากนะเพราะเราไม่อยากจะร้อนวนะ พอพอได้ครับพบกับความเย็นใจแล้วมันจะไม่อยากจะได้อะไรแล้วมันอยากจะรักษาความเย็นใจนี้อย่างเดียวเพราะมันดีที่สุดไม่มีอะไรจดีกว่าจะเสียสามีก็เสียไปจะเสียภรรยาก็เสียไปเสียแฟนก็เสียไปขอให้ใจนี้มันเย็นสบายพอแล้วดีกว่าได้แฟนมาได้สามีมาแล้วใจก็รุ่มร้อนกับความวิตกกังวลความห่วงใ่มันมันจะดีตรงไหน เราไม่มองที่ใจกันเราไปมองที่ข้างนอกไม่มองของที่เราอยากได้กันก็เลยทำให้เรามองไม่เห็นความทุกข์ใจของเราแต่ถ้าเราทำสมาธิแล้วใจของเราจะเราจะเห็นใจของเราแล้วเราจะรู้ว่าใจของเราสุกอยู่ตรงไหนอยู่ตรงศูนย์นี่อยู่ที่ความว่างเปล่าอยู่ที่ความเย็นอยู่ที่ความไม่มีความอยากพอมมีความอยากว่ามันจะร้อนขึ้นมาเลยก็หยุดความอยากทันที พอาะรู้ว่าเอามากกระท่านั้นได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียไปในที่สุดหนอยมันวิเศษขนาดหนอมันก็ต้องเสียไปหนอยให้เป็นดาราภาพยนต์เดี๋ยวมันก็ต้องจ่ากกันมันก็ต้องแยกกันอยู่ดีมันก็ได้ความสุขชั่วคราวลักษณะอยู่ด้วยกันก็ต้องมากงังวลมาหวงมาห่วงกันก็เป็นแต่ความทุกข์ทั้งนั้นใจก็จะไม่เย็นไม่สบายแล้าานะคิดว่าพอสมควรแกนะ่เวลาละ ไว้โอกาสหน้าค่อยมาว่ากันใหม่